เดี๋ยวเราทําความเข้าใจกันนิดหนึ่งในเรื่องของธรรมจักมีเวลาจํากัดเนาะชีวิตเนี่ยอดูในพระธรรมจักรกัปปวัฒตนสูตรเมื่อคืนเมื่อวานเราเรียนธรรมจักรตอนเช้าก็เรียนเรื่องอริยศาสตร์ก็คือธรรมจักรเราก็เรียนในเรื่องของพระธรรมจักกัปปวัฒตนสูตรนี่แหละที่บอกว่า พอเรียนถึงในเรื่องของคือพูดถึงในเรื่องของอัตการมาสุ ข, ขาลิกานุโยโคแล้วก็จบลงด้วยอัตตกิรมาฐานุโยโคทุโคเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวตั้งวิเคราะห์ให้ฟังว่าถามว่าอัตตกิรมาฐานุโยโคเนี่ยที่แปลว่าการประกอบความลำบากให้แก่ตนเนืองเนืองเนี่ยถ้าจะตั้งเป็นวิเคราะห์ที่จะตั้งอย่างไรนะ ไม่ต้องตั้งบอกถ้าจะตั้งวิเคราะห์ที่มุ่งถึงโทสะว่าการปฏิบัติเนี่ยมุ่งถึงโทสะเป็นประธานก็จะต้องก็จะต้องทำความเข้าใจให้ชัดว่าที่มาจากคำว่าตนย่อมลำบากได้โทสะนี้เหตุนั้นโทสานี้จึงเป็นเครื่องทำตนให้ลำบากไอ้โทสะที่เป็นเครื่องเนี่ยเป็นกรณะเนี่ยถ้าตามภาษาบาลีเขาเรียกว่าเป็น ตั้งเป็นกราณาสาธนะมันมาจากคำว่าอัตตากิลมัติเอเตนติอัตตากิลมัทโทอัตตกิลมัทโโทโสก็เลยแปลว่าตนย่อมลำบากด้วยโทสะด้วยความโกรธด้วยความพยาบาทเหตุนั้นโทสะหรือความพยาบาทนี้จึงเป็นเครื่องกระทาตนให้ลำบากนี่ถ้าจะบอกว่า การปฏิบัติตนเองทําตนเองให้ลําบากนั้นมีอะไรเป็นประธานสามารถเอาโทสะเป็นประธานได้ซึ่งตรงกันข้ามกับการมาสุขขาลิกานุยโยโคทุกโขเน่ยไหมการประกอบตนเองให้ลําบากก็คือการหมกมุ่นในกามาสุขและในกามาคุณทั้งหลายอันนั้นพูดถึงตัวกิเลสกรรมกับตัววัตถุกรรมไอ้กิเลสกรรมนั้นมุ่งเน้นตัวราคะตัวความกําหนัดตัวโลภะ อันนั้นก็เป็นการที่ประกอบตนให้สุดตรงอีกทางด้านหนึ่งสุดตรงไปทางด้านของความโลภทางด้านราคะที่ไปหมกมุ่นในกาลมาสุขในกาลมาคุณส่วนถ้ามองราคะเป็นส่วนของการมาสุขคาลิการุโยกก็ต้องมองตรงกันข้ามกับราคะก็คือโทสะที่ได้พูดมาสักครู่ตนย่อมลำบากด้วยโทสะนั้นเหตุ น, นั้นโทสะนั้นก็เลยเป็นเครื่องทําตนให้ลําบากทีนี้ถ้าจะเอาตัวทิฏฐิ เป็นอัตตกิรมถานุโยคได้ไหมเอาละสิตัวเนี้ยเมื่อกี้บอกเอาโทสะใช่ไหมเป็นการกระทาตัวเองให้ลาบากแล้วถ้าเอาทิฏฐิอ่ะตัวทิฏฐิหรือ ต, ตัวมิจฉาทิฏฐิเนี่ยจัดว่าเป็นอัตตกิรมถานุโยโคทุกโ ค, โคโดได้หรือไม่ถ้าจัดจะจัดยังไง <c oughs> มันมาจากคำว่าอัตตกิรมติเอตายติอัตตกิรมาฐาน กิรามุขเเทติงั้นมาจากคาว่ามันมาจากคาว่าอุดเฉทะสังคาตาวิภวะทิฏฐิคืออะไรคือว่าตนย่อมลําบากเพราะความเห็นผิดว่าขาดศูนย์นี้เหตุนั้นความเห็นผิดว่าขาดศูนย์นี้จึงชื่อว่าอัตตกิรามัานโยโขทุกข์โขงั้นคำว่าลําบากเนี่ยลำบากเนี่ย ท่านหมายถึงนักบวชที่ทรมานตนด้วยวิธีต่างๆด้วยอำนาจของโทสะที่คิดว่าจะบีบขั้นตนเองให้เกิดความลําบากเพื่อหวังทําลายความโลภความรักหรือตัณหาใช่ไหมนั่นเองอันนั้นเอาโทสะเป็นประธานนั้นตาบองบอกว่าทําไมพวกที่เขาประพฤติตนเองให้ลําบากเนี่ยเขารังเกียจอะไรเขารังเกียจราคะเขารังเกียจโลภะ เขาตังเกียรตว่าไอ้โลภะนี่แหละทำให้ศาสตร์ต่างหลายต้องหมกมุ่นอยู่ในกามแต่เขาหาวิธีไม่ได้ก็ เ, เลยใช้วิธีสุดตรงนะฮะเขาเห็นว่าไอ้พวกที่สุดตรงทั้งราคะเนี่ยมันผิดไอ้ความหมกมุ่นในราคะหมกมุ่นในความในติดแน่นในราคะในวัตถุกามทั้งหลายด้วยอานาจกิเลสกามนี่มันผิดไอ้พวกเนี้ยมัวเมาลุ่มหลงอย่างนั้นเลยเขาทรมานซะเลยอะไรอะที่จะเป็นปัจจัยนั่นพวกนี้จึงทรมานแปลกๆทุกวันนี้ในอินเดียนะ เขาสามารถใช้ก้อนหินเนี่ยมา่วงอวัยวะเพศนักบวชเขาเนี่ยเขาใช้ก้อนหินเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่5กิโล10กิโลยีกิโลสามกิโลตอนนี้บางคนเนี่ยเขาแขวนกับอวัยวะเพศของเขาเนี่ยห้อยตองแต่งอยู่เนี่ยนะสามารถได้ถึง50ากิโลถึงหกิกโลแล้วใครไปเขาก็ทำให้ดูเลยคือทำจนเส้นเอ็นเนี่ยอวัยวะเพศในขาดไปเลยบางทีเนี่ย เ, เขาทำอย่างนี้ เนี่ยคือการทรมานเขาบอกนี่ไงวิธีการอย่างเงี้ยเขารังเกียจราคะตรงไหนที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้ราคะเนี่ยมันเข้าไปไปเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาก็ทำลายตรงนั้นเสียเช่นมันเกิดความอยากสัมผัสทางกายเขาก็กลายเป็นนอนบนหนามบ้างบนตะปูบ้างไปนอนบนที่ร้อนๆบ้างไปแช่น้ำในหน้าหนาวบ้างเขาทรมานแบบนี้อยากทำให้นเมง คุณเว่งอยากทํำไหมเคยไปเห็นเขาทำไหมไม่เคยเห็นเลยไม่ทุกวันยังมีอยู่ไม่ใช่คือพวกนี้เลยเป็นพวกเอพวกบอมเพนในอินเดียพวกฤษีพวกบอมเพนตะบะยังมียิงใหญ่ก็ไปเห็นไหมย่ังไงเขาทํากันจริงๆริ่ยังไหมนี่แหละเนี่ยคือด้วยอํานาจของโทสะเป็นประธานเขาหลังเกียรอะไรรังเกียจติราคะ เขาคิดว่าทําอย่างนี้จะเป็นทําลายราคาเมื่อทำทำลายราคาหมดสิ้นแล้วนั่นแหละคือความพ้นทุกข์ของเขานี้นี่ส่วนหนึ่งส่วนอีกวิเคราะห์ที่สองความหมายที่สองที่บอกว่าตนย่อมทําความลําบากเพราะความเห็นผิดว่าขาดศูนย์นี้เหตุนั้นความเห็นผิดว่าขาดศูนย์นี้จึงชื่อว่าอตตากิรัมะาก็คือการทรมานตน ด้วยวิธีการที่ท่านมุ่งถึงทิศทิที่เห็นว่าขาดศูนย์โดยเห็นว่าถ้าทรมานตนให้ลำบากจนถึงความตายไปแล้วมันจะขาดศูนย์ไปเองมันจะขาดศูนย์ไปเลยโดยไม่ต้องมาผุดมาเกิดอีกเขาจึงนิยมการประพฤติปฏิบัติกันแบบนั้นโอ้ <c oughs> <c oughs> โหสุดตรงสุดเ <c oughs> นี่ยเ <c oughs> ชื่อไหมว่าการกระทำลักษณะนี้เราเคยทามาแล้ว เรานี่แหละเป็นกลุ่มสุดตรงเราไม่เคยได้ไมชิมาปฏิบัติธเลยนะชีวิตจริงๆเราเนี่ยแต่เราอาจจะย่อมๆกว่าเขาหน่อยแค่นั้นเองแต่เรานี่แหละก็เป็นสาวกเป็นลูกศิษย์ของเขาอยู่นะเดี๋ยวเราก็ใช้โลภะแก้ปัญหาเวลาเกิดโทสะใช่ไหมล่ะแต่เวลาเกิดราคะขึ้นมาเราก็ใช้โทสะแก้ปัญหามันก็จะเป็นไปอย่างนี้แหละเช่นเวลาเราไปทํางานเราเครียด แล้วทุกโรคโทสะเกิดขึ้นลงหมุดหงิดแล้วก็อาศัยไปพักผ่อนหย่อนใจไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวภูเขาไปดูหนังฟังเพลงแก้ปัญหาพอหลังแก้ปัญหาเบรเซ็ตเราก็กลับมาบกมุ่นกับการงานหบกมุ่นกับกิจกรรมของชีวิตที่เป็นไปความเครียดความเดือดร้อนใหม่ใช่ไหมเราก็ไม่ต่างอะไรกับเขาแต่เพียงเราดูแล้วเหมือนจะดูดีกับเขาหน่อยเท่านั้นเองจริงไม่จริ ง, รงเราก็สุดตรงไหมสุดตรงหรือไม่สุดตรงเราก็แก้ปัญหาแบบสุดตรง ทีนี้บุคคลนะอนุโยคะนี่ที่เป็นซื่อที่สุดอันบุคคลประกอบอยู่เนี่ ย, อ น, ยอนุโยคอนุโยคะอนุโยคะอตตกิลามัาและคําว่าอนุโยโคที่ติดอยู่ท้ายคําว่าอตตกิลามัถานุโยโคเนี่ยนุโยโคศัพท์นั้นมาจากคาว่าอนุโยโคเนี่ยมีทีโโรร่มาอย่างไรมันมาจากคาว่าอนุโยโ ค, ยย ค, โยโคแบบที่สุด ใดอันบุคคลประกอบอยู่เหตุนั้นทาส่วนสุดนั้นจึงชื่อว่าโยคะโยคะบุคคลประกอบเนี่ยนะประกอบเนืองเนืองก็คือบ่อยๆเนะี่ยจึงชื่อว่าอนุโยคะคือประกอบตนให้มันถึงเข้าถึงส่วนสุดบ่อยๆ บ, บางคนก็ประกอบตนเองผลักดันตัวเองให้เข้าถึงที่สุดแบบโลภการมมศกันก็คือทาตนเองเข้าไปหมกมุ่นในการมบ่อยๆ ไปหมกมุ่นในกาลบ่อยๆกับทําตนเองให้หมกมุ่นกับโทสะหรือทิฏฐิบ่อยๆนี่ก็สองกลุ่มใช่ไหมลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการประกอบตอนเองให้ไปหมกมุ่นในกาลมาสุขในกาลมาคุณก็เป็นกาลมาสุขการิการิโยคประกอบตอนเองให้ไปติดอยู่ในความเครียดความโกรธและก็ความเห็นผิดว่าขาศูนย์เป็นต้นอันนี้ก็เป็นอันตตะกิแลมะถานิโยโคเข้าใจไหมคำว่าอนุโยโคลนี่คือประกอบบ่อยๆมันผิดทางบ่อยๆ แทนที่จะดำเนินกระแสชีวิตไปตามมัชิมาปฏิบัติธรก็ไม่ไปมันก็ไปเตลิดอยู่เรื่อยเลย <c oughs> ไม่เคยได้มชิมาปฏิบัติไม่เคยได้ทางสายกลางเลยเป็นอย่างนั้นจริงไหมงั้นอัตกิลามาทานุโยโคกับการมัศุขาริการโยโคเนี่ยการปฏิบัติและการทรมานตนให้ลาบากต่างๆเนี่ย ของลัที่เจ้าลาที่ทั้งหลายเหล่านั้นน่ะถามยังเมื่อเมื่อวานถามว่าทําไมพระเจ้าจึงไม่ตําหนิว่าเป็นฮีโนเป็นการปฏิบัติที่ต่ำซา ม, ามเพราะอะไรเพราะอะไรเออเพราะนักบวชนั้นน่ะเขาถือการกระทําเช่นนั้นเป็นการตามรักษาจิตไม่ตกไปในราคะมันเป็นตะบะ ท, ทั้งสูงชั้นสูงของเขาในคนในยุคนั้นพระเจ้าเลยไม่ตําหนิว่าเป็นการปฏิบัติที่ต่ำซาม นี่เป็นอย่างนี้เป็นตะบะชั้นสูงเป็นเป็นตะบะชั้นสูงก็เขาเป็นกลุ่มนักบวชเขาไม่มาหวชมนนกามอยู่แล้วเขาอยากพ้นทุกข์เขาอยากพ้นทุก <c oughs> ขกก์แต่มันมันสุดโต่งไปหน่อยที่จริงแล้วเนี่ยคนในโลกใบนี้ก็ล้วนจะเป็นกลุ่มสุดโต่งทั้งนั้น เป็นไม่เป็นเราสุดตรงทั้งด้านไหนเราสุดตรงด้านไหนฮะจริงมนุษย์มักจะมีความโน้มเอียงไปทางสุดตรงนะ สุดตรงมีสองอย่างคือสุดตรงทั้งด้านความคิดนั้นอย่างหนึ่งกับสุดตรงในทางด้านการปฏิบัตินั้นอย่างหนึ่งใช่ทีนี้ถ้ามนุษย์หันหน้าไปหาความสุดตรงในการปฏิบัติ <c oughs> เช่นสมัยหนึ่งคนทั้งหลายพากันเพลิดเพลินมัวเมาหาความสุขทางเนื้อหนังให้การสาคัญแก่การบำรุงบําเลยต่อร่างกายมาก ในยุคนั้นคนไม่เห็นแก่ไม่เห็นความสําคัญด้านจิตใจเลยก็เลยทางพุทธศาสนาเรียกว่าการมสุ ข, ขัาริการโยกเห็นให้ความสําคัญกับเนื้อนหนังให้ความสําคัญในการบํารุงบาเลอกายบํารุงบารุงบําเลอตาหัวกใจหนกายของเราอยู่ตลอดเวลาซึ่งเราเป็นกันมาแล้วเป็นไม่เป็นเราให้ความสําคัญมากท่านแมงเป็นไหม บําบำเลอตาหูจมูกลิ้นกายกันมาอย่างชอบหาอะไรต่างๆมาทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีเลยทีเดียวใช่ไหมแต่พอมาเปลี่ยนอีกสมัยหนึ่งบางพวกก็มีความรู้สึกเบื่อหน่ายรังเกียจความสุขทางร่างกายทางเนื้อหนังเลยก็เอียงไปทางด้านจิตใจอย่างเต็มที่ไปไปมาก็อย่างที่กลุ่มทรมานร่างกายอย่างที่เด่กล่าวนี่แหละสละความสุขทางร่างกายโดยสิ้นเชิงเลย เพื่อจะประสบผลสําเร็จทางด้านจิตใจก็เลยกลายเป็นเสพติดทางด้านจิตไปอีกอย่างหนึ่งพวกนี้ก็เลยกลายเป็นบําเพ็ญทุกขารกิริยาก็เลยกลายเป็นอัดตกิรามะฐานุโยกอีกก็สุดโตรงอีกมองเห็นยังเอาดูปัจจุบันเดียวในยุคเนี้ยสุดโต่งทางด้านไหนด้านความคิดหรือด้านปฏิบัติเอียงสุดในร่างร่างกายไหม ทุกวันเนี้ยบำรุงบำเลอรร่างกายไหมไม่เห็นความบางบางทีบางคนก็ถ้าอย่างเอายกตัวยอย่างเนี่ยบางคนแต่ไหมก่อนก็เป็นไฮโซสุดๆเลยยังไม่ชอบบารุงบมรเลอเลยพอจะไม่เอาขึ้นมาก็ไม่สนใจเลยปล่อยปะละเลยเลยใส่ชุดหม่อห้อมเดินไปก็เดินมากค เ, เห็นเคยเห็นไหม อันนี้อันนี้ไม่ได้ว่าใครนะอันนี้ให้ยกให้เห็นว่านี่สุดตรงจริงๆคือถ้าไม่เอาร่างกายก็ไม่เอาเลยว่างั้นได้ปล่อยซะจนปล่อยป่าละเลยจนไม่ดูแลก็เลยอะ่ะไอตอนที่ไปเกี่ยวข้องก็โหเต็มที่เลยอะ่ะทั้ง ต, ตกแต่งสารพัดเลยหมดเลยนี่มันสุดตรงจริงๆจริงๆนะ <c oughs> <c oughs> จะว่าไงจริงไหมจริง ตอนไม่ตอนที่จะแต่งก็แต่งซะเต็มที่เลยมัวเมาลงๆพอบอกว่าไม่เอาขึ้นมาก็หลุดมาอีกมุมหนึ่งเลยจะซ้ายก็ซ้ายสุดขวาก็ขวาสุดเลยเนี่ยสุดตรงแบบเนี้ยเนี่ยลักษณะจะเป็นแบบเนี้ยทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพระเจ้าสอนหลักปฏิบัติเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะมัชชิมาปฏิปทาใช่ไหม ที่เรากาลังเราสวดกันในธรรมจักรกับพระวจนะสูตรเนี่ยก็แปลว่าทางสายกลางข้อปฏิบัติที่เป็นกลางไอ้คำว่าข้อปฏิบททัติเป็นกลางก็คือความพอดีความพอดีมอดสมตาตาสมดุลเนี่ยดุลยภาพเนี่ยไอ้ตรงนี้ยากมากเดี๋ยวจะค่อยๆไล่ลงไปเนี่ยจริงๆเราควรจะพูดให้กับคนที่เอออย่างพวกเราเนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนให้ให้ชัดก่อน เวลาจะไปสื่อหรือไปบอกเขามันจะได้ชัด <c oughs> ดังนั้นเดี๋ยวไม่ชัดเอามองอีกด้านหนึ่งก่อนความสุดตรงทั้งด้านความคิดความสุดตรงทางด้านความคิดก็คือความโน้มเอยียงที่เป็นเช่นนั้นเช่นอย่างง่ายๆคือเรื่องวัตถุกับเรื่องจิตใจ ถามว่าพวกหนึ่งเอียงสุดว่าวัตถุเท่านั้นมีจริงอีกพวกหนึ่งบอกว่าจิตเท่านั้นมีจริงจนกระทั่งเนี่ยในตะวันตกเขาเลยมีสองกลุ่มกลุ่มวัตถุนิยมกับจิตอนิยมนไมทีนี้เราก็ต้องมาถามว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นวัตถุนิยมหรือเป็นจิตอนิยมเออถามถามพวกเราเนึ่พุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่ขับเน้นในเรื่อง วัตถุนิยมหรือจิตตนิยมพุทธศาสนามีทั้งรูปทั้งนามมมีทั้งรูปทั้งนามซึ่งเรียกเขาเรียกว่านามรูปเนี่ยงนั้นท่านให้ความสาคัญทั้งจิตใจทั้งด้านวัตถุใช่ไและท่านก็บอกด้วยว่า รูปนามหรือวัตถุและจิตใจเนี่ยอิงอาศัยซึ่งกันและกันให้ความสําคัญทั้งสองอย่างถ้าคนส่วนใหญ่ไปเข้าใจว่าพุทธศาสนาเป็นจิตตนิยมซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดมากพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ความสําคัญทั้งด้านจิตใจด้วยให้ความสําคัญทั้งด้านวัตถุ ด, ด้วยเช่นรูปธรรมเนี่ยซึ่งเป็นส่วนของวัตถุพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญไหม ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกให้ความสําคัญและต้องไปวิจัยต้องไปรอบรู้ด้วยทั้งด้านนามนธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ต้องไปรอบรู้ต้องไปเข้าใจด้วยสรุปแล้วพุทธศาสนาให้ความสําคัญทั้งด้านวัตถุทั้งด้า น, านจิตใจไม่ใช่เป็นทั้งวัตถุนิยมและจิตตนนิยมอีกตัวอย่างหนึ่งคนพวกหนึ่งมีความเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเที่ยงแท้มีอัตตาที่คงอยู่ตลอดไป กลายเป็นทิฏฐิอย่างหนึ่งที่เรียกว่าสัตตะทิฏฐิเคยได้ยินไหมเคยเห็นว่าเที่ยงแท้แน่นอนเช่นเช่นเวลาเราตายแล้วเนี่ยจิตวิญญาณเนี่ยมันไม่เกิดมันก็ล่องลอยไปหาที่เกิดใช่ไหมเห็นอย่างนี้นะวงกลมเห็นอย่างนี้เลยเช่นตัวอย่างอื่นอาจจะเกิดดับสืบต่อได้ แต่ไอ้เจสิ่งเนี่ยเกิดดับสืบต่อไม่ได้เช่นดินน้ำไฟลมสุขทุกข์และชีวะไอ้เจตัวเนี่ยข้าก็ไม่ตายทําไงก็ไม่ตายมันก็ลอยไปหาที่เกิดไปเรื่อยๆเนี่ยเเป็นไปแล้วตอนนีออน้อย่างอื่นเที่ยงอย่างอื่นเกิดดับสืบต่อแต่ไอ้ตัวเนี้ยทเที่ยงแท้แน่นอนเป็นอัตราที่มันสิงอยู่มันแฝงอยู่ในในกระแสชีวิตของของสัตว์ทั้งหลายแล้วมันก็ล่องลอยหาที่เกิดไปเรื่อยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ นี่กลุ่มนี้เห็นอัตตาตัวตนเป็นสัตสตทิฏฐิ <c oughs> ใช่ไหมนี่กลุ่มสัสสตทิฏฐินันเนี่ยนี่สุดตรงไหมสุดตรงไปทั้งด้านเห็นว่าเที่ยงเราเป็นอย่างนั้นไหมตอนเด็กๆใครดูภาพยนตร์เวลาคนนี้เกิดปุ๊บก็มีแสงลอยออกจากตัวแล้วก็ไปหาที่เกิด <c oughs> ใช่มะแล้วก็เข้าใจว่ามันเที่ยงเน้ๆตัวนั้นเนี่ย นี่เราคือกลุ่มศาสนาทิฏฐิเห็นว่ามันเที่ยงแท้แน่นอนล่องลอยหาที่เวียนวายใจเกิดไปเรื่อยๆ อ, อีกพวกหนึง่งอีกพวกหนึง่งเห็นเอียงสุดไปในตรงกันข้ามบอกว่าอย่างนั้นไม่ใช่ ไม่มีอะไรหลอกลอยออกมาจากล่างเป็นดวงวิญญาณหรือเป็นอะไรต่างๆเป็นชีวะลอยออกไปไม่มีทุกอย่างขาดศูนย์หมดคนเกิดมาแล้วเป็นเพียงการประชุมของดินน้ำไปลมตายแล้วก็ขาดศูนย์ก็เลยกลายเป็นพวกอุเฉตทิถิเห็นว่าขาดศูนย์เนี่ยสุดตรงไี่สุดตรงไปเห็นว่าเที่ยงกับสุดตรงเห็นว่าขาดศูนย์เนี่ยไม่ได้มาชิมาเฏิบทาเลยเนะเนี่ยไม่ได้สายกลางเลย เริ่มจะเห็นชัดขึ้นนะแต่เนี้ยเราต้องมองมองให้เห็นหลายหลายคู่เอาอีกกลมหนึ่งบัญญัติว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีทั้งนั้นอีกพวกหนึ่งบอกว่าไม่มีอะไรจริงเลยไอ้ ก, กลมที่มีทั้งนั้นก็เรียกว่าสัพัทธิกาทิฐิเคยได้ยินไหมเห็นว่าทุกอย่างมีเช่นอะไรมีพ่อมีแม่มี สามีภรรยาลูกทั้งหลายเราเนี้ยสัตว์บุคคลชายหญิงมีมีจริงจริงมีทั้งนั้น <c oughs> มีอยู่จริงจรด้วยว่างั้นเถอะมันเป็นฝังเป็นแก่นเป็นแกนแกอยู่ว่างั้นเถอะพ่อแม่มีต่างอีกกลมหนึ่งบอกว่าไม่จริงเป็นนัติกาทิฏฐิไม่มีพ่อก็ไม่มีแม่ก็ไม่มีพี่ก็ไม่มีน้องก็ไม่มีปู่ตายายายายไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีอยู่จริงเป็นเพียงการประชุมของดินน้ํำใบลมเท่านั้น พวกนี้เห็นผิดสุดตรงจริงๆมันไม่มีอยู่จริงมาไปพาไปนั่นดูมันไม่มีหรอกคำว่าพ่อแม่ปู่ตายายายชื่อทั้งหลายมันไม่มีอยู่จริงสมมุติทั้งนั้นสุดตรงไหมเราอังวิปัสสนาแบบนี้นเนี่ยวิปัสสนาเห็นว่ามันไม่มีก็เลยว่าบาปบุญไม่มีเลยในเนี้ยบาปบุญไม่มีใช่ไหมคุณของพ่อของแม่ก็ไม่มีอยู่จริงหรอกมีจริงที่ไหนล่ะ สมมติขึ้นมาแค่ดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองน่ากลัวไหมสตองหรือไม่สตรองอีกพวกสุดตองก็ยึดจริงจริงยังจั ง, จ ง, จงว่ามีไม่ใช่ไม่มีพ่อเราแม่เราลูกเราปู่ตาย า, ยายายของเราสุนัขของเราบ้านของเรามีหมดมีจริงจรนี่เอียงสุดเลยทิฏฐิอีกพวกหนึ่งบอกว่าไม่มีมีที่ไหนแล้วดินน้ำไฟลมสีกิรลดโอชาไม่มีอยู่จริงเป็นการประชุมกันของาธาตุเท่านั้นเอง พวกคนเขาพวกคนโง่ก็ไปสาคัญว่ามีอยู่จริงแท้จริงไม่มีพ่อก็ไม่มีแม่ก็ไม่มีปู่ตายายายายสามีภรรยายลูกไม่มีทั้งนั้นจากนั้นไปฆ่าก็ไม่เรียกว่าบาปนะเพราะไม่มีเนี่ยใช่ไหมล่ะเหมือนเอาเหล็กเนี่ยเอาสตราวุธเนี่ยไปแทรกในดินน้ำไฟลมแทรกให้ดินน้ำไฟลมขาดออกจากกันเล้วบาปอยู่ที่ไหนไม่มีการบอกว่าเป็นบาปเป็นบุญเนี่ยเป็น เป็นคำสอนของคนโง่ร <c oughs> ุนแรงขนาดนั้นเข้าใจอย่างเงี้ยนี่ไม่ใช่มัชิมาปฏิปทาสุดตรงั้นในยกนั้นเถียงกันมากเลยในสุดตรงลักษณะแบบนี้เห็นว่ามีกับเห็นว่าไม่มีเราอยู่กลุ่มไหนพ่อแม่มีจริงหรือไม่มีจริงพ่อแม่ปุต แม่แบบสมมุติมีอยู่จริงใช่ไหมแล้วคุณของพ่อแม่มีอยู่จริงหรือไม่จริงมีเพราะกระแสชีวิตนี้มีอุปการะคุณกับเราจริงๆใช่ไหมฮะเนี่ยมีอยู่มีอยู่แต่ไม่ใช่มีอยู่แบบอัตราไม่ใช่มีอยู่แบบประเภท ท, ที่ตายตัวเป็นสมมุติขึ้นแล้วเข้าใจเนี่ยมีความโน้มเอียงเอียงสุดเนี่ยตามความคิดตามความเข้าใจของแต่และบุคคล พระเจ้าสอนว่าที่จริงแล้วเนี่ยสัจธรรมทั้งสี่ประการเนี่ยทุกสมุทัยนิโรดมากเป็นต้นเหล่านี้ไม่ใช่เป็นไปตามความโน้มเอียงหรือความพอใจของมนุษย์ที่มองอะไรไปสุดตรงด้านใดด้านหนึ่งความจริงนั้นเป็นกลางกลางหรือทำให้ถูกก็คือต้องสอนต้องพูดให้พอดีกับความจริงด้วยเวลาพระเจ้าสอนเนี่ยถามว่าความจริงเนี่ยเป็นกลางกลางไหม เป็นกลางๆหรือเป็นไม่เป็นกลางๆเป็นกลางๆด้วยนะหรือว่าไหวถูกก็คือต้องสอนแล้วก็ต้องพูดให้พอดีกับความจริงไม่ใช่เกินความจริงนะทีนี้เพราะฉะนั้นการสอนความจริงแต่พอดีพอดีเนี่ยให้ตรงตามความเป็นจริงนั้นก็คือสอนให้พอดีกับความจริงก็เลยกลายเป็นคําสอนที่เป็นกลางเพราะเป็นคําสอนที่พอดีกับความจริง <c oughs> พุทธศาสนาเนี่ย สอนความเป็นกลางในทางปฏิบัติคําสอนความเป็นกลางในทางปฏิบัติภาษาพ่าเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาเขาสอนความเป็นกลางในทางปฏิบัตินะเขาเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาเขาเรียกข้อปฏิบัติสายกลางใช่ไหมส่วนในแง่ของความจริงหรือทัศนาที่เกี่ยวกับสัจธรรมเป็นกลางอีกเหมือนกันพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเป็นกลางเขาเรียกว่ามัชเชนธรรมเทศนา หรือมัดเชนะเทศนางั้นคำว่ามัดเชนะธรรมเทศนากับมัชชิมาปฏิปทาเนี่ยเหมือนกันหรือต่างกันยังไงมัดเชนะธรรมเทศนากับมัชชิมาปฏิปทา มัเชเฌนธรรมคือคืออะไรนะหลักคำสอนที่สอนให้เข้าใจความจริงที่ไม่ให้เข้าถึงความสุดโต่งทั้งสองทางทั้งการมสุขาลิการุโยกและอตตกิริมาฐานนโยกส่วนมัชิมาปฏิปทานนั้นคือหลักปฏิบัติหรือข้อปฏิบัติที่ดำเนินไปตามทางสายกลาง ทีนี้ธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนี่ยเป็นมัชเชนะธรรมเทศนาใช่เป็นหลักคำสอนที่สอนไปตามเหตุปัจจัยให้ดาเนินไปตามทางสายกลางไม่เอียงเข้าหาส่วนสุดสองอย่างใช่เป็นมัชเชนธรรมหรือมัชเชะธรรมเทศนาส่วนในธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนี่ย มีข้อปฏิบัติอยู่คืออริยมรรคมีองค์แปดอริยมรรคมีองค์แปดนั้นเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปสายกลางตกลงว่าพุทธศาสนาเนี่ยไม่ว่าจะแง่งการปฏิบัติหรือ แ, แง่งความคิดที่เกี่ยวขัองกับศาสนาก็ตามเป็นสายกลางทั้งหมดเลยนะเป็นมัชชิมาปฏิปทาอย่างหนึ่งและเป็นมัชเชนธรรมเทศนายอย่างหนึ่งเป็น ความเป็นคำสอนที่เป็นกลางแล้วก็พอดีความจริงด้วยแล้วคำสอนก็สอนให้พอดีกับความเป็นจริงนั้นด้วยโอ้ห <c oughs> oh, สุดยอดจริงจริ <c oughs> ใช่ไหมฟังแล้วงงเลยลูกสอนเวลาพวกที่ยิงลูกสอนถ้ายิงไปไม่ถูกเป้าแปลว่ามันเอียงใช่ไหมเอียงไปทั้งด้านโน้นด้านนี้ ถ้ามันพอดีก็คือว่ามันยิงลงไปตรงเป้าพอดีเนี่ยเขาเรียกว่าพอดีไหมพอดีเป็นกลางไหมเป็นกลางเป็นสายกลางสายกลางก็คือพอดีนี่แหละตามความเป็นจริงที่จะเข้าถึงจุดหมายและก็เท่ากันพอดีกับความจริงที่เป็นสัจธรรมด้วย <c oughs> แหมเป็นบุญของพวกเราเหลือเกินนะที่เราได้รู้คําว่ามัชชิมาปฏิปทาเนี่ยนะเพราะว่าเป็น เป็นสายกลางก็คือพอดีด้วยเรียกว่าสายกลางก็มันพอดีตรงตามความจริงที่จะให้เข้าถึงจุดหมายแล้วก็เท่ากันพอดีกับความจริงที่เป็นสัจธรรมพระเจ้าเนี่ยก่อนตัดสรุได้ส่งไปศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสัจธรรมเนี่ยและก็ทดลองปฏิบตัติต่างๆเพื่อให้เข้าถึงจุดหมายพระองค์ใช้เวลาในการทดลองอยู่ทั้งหปี แล้วก็ได้เห็นว่าที่ปฏิบัติอยู่นั้นมันเอียงมันเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งอยู่ตลอดเวลาในที่สุดพระองค์ก็เลยค้นพบทางสายกลางเนี่ยก็เลยกลายเป็นมัชฌิมาปฏิปทาใช่ไหมพระพุทธเจ้าค้นพบทางสายนี้แล้วก็ปฏิบัติตามทางสายนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็เลยเข้าถึงความพอดี mm hmm. เข้าถึงสัจธรรมแล้วก็เข้าถึงความพ้นทุกข์ mm hmm. แล้วพระพุทธเจา้าเลยมาแสดงมัชเชนธรรมเทศนาะ คำสอนที่เป็นกลางไม่เอียงเข้าหาส่วนสุดทั้งสองอย่างทีนี้มัชฌิมาปฏิบัติก็ได้แก่อริยมรตมีองค์8ดเป็นข้อปฏิบัติเป็นกลางๆไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปใช่ไหมไม่เอียงออกไปข้างโน้นไม่เอียงออกไปข้าง น, น, งออางนี้พอดีที่จะนำไปสู่จุดหมายคือความมีชีวิตที่ดีงามนี่เป็นอย่างนี้ชีวิตที่ดีงามก็คือ การบรรลุถึงอริยมรรคพระพรหมจรรย์เข้าถึงชีวิตที่ดีงามชีวิตที่ประเสริฐชีวิตที่เป็นจากพลุชนเข้าสู่ความเป็นอริยชนได้อย่างแท้จริงหลักการตรงนี้นี่แหละเขาเรียกว่าไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปไม่เอียงไปข้างโน้นไม่เอียงไปข้างนี้พอดีที่จะนําไปสู่จุดหมายแห่งการมีชีวิตที่ประเสริฐที่ดีงามได้อย่างแท้จริง นี่คือมัชฌิมาปฏิปทาส่วนมัชเคนธรรมเทศนาก็ได้แก่หลักธรรมที่เรียกว่าเรียกว่าอะไรใชป่ปฏิจจสุบาทด้วยปฏิจจสุบาทด้วยแล้วก็อิทัปปจยตาด้วยแล้วก็ธรรมจั ก, กรกปรวัตนสูตรด้วยนีธรรมจั ก, กรกปรวัตนสูตรด้วย นี่เป็นหลักธรรมที่แสดงความจริงเป็นกลางๆเป็นไปตามเหตุปัจจัยนะเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นนั้นว่าพุทธศาสนาเป็นกลางทั้งด้านการปฏิบัติไหมทางการปฏิบัติเป็นกลางๆไหมด้านความคิดเป็นกลางไหมอ้าวความคิดยังไงเรียกว่าคิดเป็นกลางอ้ลองคิดให้ดูเดบดังๆหน่อยที่คิดเป็นกลางคิดยังไงแล้วปฏิบัติที่เป็นกลางปฏิบัติยังไง ใครตอบได้ช่วยตอบที <kl ient> เอาคิดยังไงที่เรียกว่าคิดเรื่อกลางๆงะความคิดแบบไหนเยกยกตัวอย่างให้ดูสักชิ้นทีความคิดยังไงที่เป็นกลางๆและปฏิบัติอย่างไรที่เรียกว่าเป็นกลางกลางว่าเป็นกลางทั้งด้านความคิดด้วยใช่ั้ยเป็นกลางทั้งด้านการปฏิบัติด้วยเอาตรงกลางทั้งด้านความคิดช่วยบอกดังๆหน่อยที่คิดยังไงเรียกว่ากลาง ควาคิดยังไงที่เป็นกลางาความคิดยังไงใา่ลองลองยกตัวอย่างดูที่อ้เดี๋ยวเอาความคิดก่อนเนะความคิดก่อนนะครับ นี่เป็นความคิดใช่ไหมคิดก่อนแล้วก็ต่อมาก็ปฏิบัติตามนั้นนี่ความคิดอย่างนี้ก็เรียกความคิดที่ไม่เป็นกลางแล้วความคิดเป็นกลางเรา ออพอพอจะเข้าท่าเข้าทางเหมือนกันในนี้เนี่ยใช่ก็เอ็กก็มาก็ไม่ได้ไปวิจัยดูว่าเศรษฐกิจพอเพียงเอาแค่ไหน คือคือคือหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคุยกันมานานกันเหมือนกันเนี่ยมาก็เบื่เองมันก็ไม่ได้ตามในรายละเอียดแต่ถ้าคำว่า คือคืออย่างนี้คําว่าคําว่าเป็นกลางเนี่ยไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปเนี่ยท่านมองถึงในงด้านของการปรับดุลยภาพหรือนำมาทำทางด้านจิตใจก่อนอันดับแรกก็คือต้องเดินเข้าสู่กุศลให้ได้ก่อนเนี่ยเมื่อเดินเข้าสู่กุศลแล้วแล้วก็ปรับกุศลน่ะให้ได้ดุลยภาพใ ห, ให้ให้มีความพอดีในตัวมันเอง เนี่ยปรับอย่างนี้ทีนี้ถ้าปรับตัวนามธรรมหรือตัวกุศลเนี่ยไม่ได้ดุนยกตัวอย่างดังที่กล่าวบ่อยๆคือศรัทธากับปัญญาต้องได้ดุลกันต้องได้สมถตาได้ความสมดุลได้ดุลยาภาพวิริยะกับสมาธิต้องได้ดุนยาภาพกันก่อนสติก็เป็นตัวคอยกํากับคอยเช็คคอยตรวจสอบว่าศรัทธากับปัญญาวิริยะกับสมาธิได้ดุนยาภาพกันหรือไม่ ถ้าศรัทธามากเกินไปความเชื่อความงมงายก็เกิดขึ้นถ้าปัญญามัมนเอียงไปทางด้านปัญญา ม, มากก็จับจดไม่ลงมือทำนี่นะวิภากควิจารณไปเรื่อยถ้าความเพียรมันมากเกินไปก็ฟุ้งซ่านก็เครียดแต่สมาธิมากเกินไปมันก็มันก็เฉยชาแล้วก็เกียจค้านไม่กระตือรือร้นฉะนั้นมันจะต้องคอยปรับตลอดเวลาก่อนตรงนี้ก่อนนะทีนี้พอปรับตัวนามาทําได้แล้วพอทางด้านวัตถุ ว่าจะจะเป็นในด้านเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันก็ต้องดูว่าเอเหมือนการกินอาหารเนี่ยยมพี่หญิงใหญ่ว่าสรีละอย่างโยมพี่หญิงใหญ่สรีละอย่างยมแอบสรีละอย่างนินสรีละอย่างท่านเม้งหรือท่านนความพอดีในการกินอาหารเท่ากันที่ไหนแต่มันเกิดขึ้นจากการที่ปรับดุลยภาพทางด้านจิตใจมีสัมมาทิฏฐิมีปัญญาที่รู้และเข้าใจแล้ว ว่าความพอดีของร่างกายของตัวเองแค่ไหนอย่างไรเห็นไหมว่าไอ้คำว่าพอเพียงเนี่ยมันเลิกกายถึงว่ามันเอาวัดในวัดวัตถุเท่ากันได้ที่ไหนมันไม่เท่าแล้วเหตุปัจจัยที่สั่งสมมามันไม่เท่ากันเลยอะบุญกุศลที่ทําก็ไม่เท่ากันเจตจํานงในการทําก็ไม่เท่ากันศักยภาพก็ไม่เท่ากันสิ่งแวดล้อมก็ไม่เท่าคำความสามารถก็ไม่เท่ากัน ถึงบอกว่าถ้าปรับนามมาทำให้เป็นกุศลไม่ได้ทําดุลยภาพให้เป็นนามมาทำในด้านกุศลธรรมไม่ได้มันจะเป็นพอเพียงขึ้นมามันก็ไปวัดกันแค่รูปธรรมเพราะวัติรูปธรรมมันจะมันจะไปกันใหญ่แล้วมันไม่ได้แล้วมันเหมือนพอเพียงของยอมพี่หญิงใหญ่คือบ้านขนาดนี้พอมีศักยภาพพอกําลังบุญต่างจากคนที่ยากจนใช่ไหมล่ะยอมพี่หญิงใหญ่อยู่ในสถานะฐานันดรเป็นหม่อมราชวงศ์เนี้ยนะ นะก็มาจากกำลังกุศลแต่ไม่ใช่พอเพียงก็แปลว่าทุกคนเท่ากันหมดก็คือทาตัวเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นกินก็ต้องเท่ากันเป็นอยู่ก็เหมือนกันอะไรก็เหมือนกันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะแปลว่าความต่างกันทางด้านศักยภาพและความสามารถแต่ไม่เอารัดเอาเปรียบกันนะ มันต้องไม่เอารัดเอาเปรียบกันไม่ใช่ว่าเรามีศักยภาพเรามีความสามารถแล้วกีดกันเขาด้วยอํานาจของตันหาเห็นไหมเราไม่ได้เดินด้วยสมาทิฐิแล้วเราไม่ได้เดินด้วยสมาสังกปะสัมมาวจาสัมมากามมตะแล้วเราดําเนินชีวิตด้วยตันหาด้วยมานะเอาเปรียบคนอื่นเลยอย่างนี้มันจะปรับดุลยภาพมันจะได้เป็นเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วมันถึงแม้ว่าเราเนี่ยทำด้วยทิฏฐิทําด้วยความเมตต์ผิด เรามักน้อยเราเราไม่เอามากเราไม่เอาเปรียบใครแต่เรามีความเครียดเราโกรธเราหงุดหงิดเหลือเกินที่เราทําอย่างเนี้ยเราไม่ได้ความสุขเลยเราไม่ได้ดุญยภาพของกุศลในใจเลยมันจะเป็นมันจะเป็นพอเพียงยังไงมันต้องบอกว่าเรื่องเนี้ยมันต้องเข้าใจสองส่วนหนึ่งทั้งด้านจิตสองทั้งด้านวัตถุหนึ่งกะจิตเนี่ยต้องปรับก่อนการปรับจิตต้องให้ได้กุศลก่อนนะ เมื่อได้กุศลแล้วจึงมาปรับให้ได้สมถตาให้ได้ดุยภาพให้เป็นมัชฌิมาปิฎิปทาเหมือนยกตัวอย่างเช่นเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาเนี่ยถ้ามันเอียงขึ้นมายุ่งนะไปเมตตาไปกรุณาไปมุทิตาก็ได้แค่ด้านความรู้สึกได้ความจิตใจอย่างเดียวถ้าไม่มีตัวอุเบกขาซึ่งเป็นด้านปัญญามาดุลกันไว้มันก็เอียงสิมันก็มันก็ไม่ได้ดุยภาพก็ไม่เป็นมัชฌิมาปิฎิปทาไม่ได้สมถตาไม่ได้ความสมดุลอีก หรือเจริญพรหมวิหารเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้สมตาไม่ได้ดุญจภาพมันก็ไม่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาเพราะงั้นก็เป็นกันอย่างทุกวันนี้แหละฉันเมตตาลูกได้แต่ฉันเมตตาสุนัขไม่ได้ใช่ไหมฉันเมตตาลูกได้แต่เมตตาศัตรูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เนี่ยมันเอียงไหมล่ะมันก็ไม่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาอยู่แล้วมันก็ไม่เป็นทางสายกลางอยู่แล้ว มันก็ไม่สามารถดําเนินชีวิตไปสู่จุดหมายชีวิตที่ประเสริฐและเลิศจากปุถุชนก็สู่ความเป็นอริยชนได้อยู่แล้วเพราะมีอคติอคติในเบื้องต้นสุดๆเลยไม่เป็นสมตาแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะเข้าสู่ความเป็นอิสระใช่ไหมแล้วก็ไม่สามารถที่จะเป็นกลางได้จริงมันไม่เป็นอิสระมันไม่ปลอดโปร่งมันไม่โล่งหรอกไอสภาพจิตแบบเนี้ยแล้วมันเป็นกลางไม่ได้มันเป็นกลางไม่ได้ก็เพราะมันเป็น ปัญหามันาที่ถี่เข้ามาแทรกเรียบร้อยไปแล้วมองเห็นนีอยังทึงบอกว่ามันต้องทําความเข้าใจกันค่อนข้างเยอะมากนะคนบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องใหญ่เอามาทุกบอกว่าเรื่องใหญ่นีมันพอเพียงเพราะเลนว่าพอเพียงของคนอายุห้าขวบพอเพียงกับคนอายุยี่สิบขวบสาสิบขวบสี่สิบขวบพอเพียงกับคนที่มีสิริละยังไงอย่างเงี้ยมันก็ต้องว่าแต่มันพอเพียงได้ปัญญาไหม ไม่ใช่พอเพียงด้วยตัณหามานาที่ถีมันก็ไม่มันก็ปรับไม่ได้นั่นะเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่มากต้องทําความเข้าใจกันค่อนข้างชัดถ้าไม่ชัดขึ้นมาเนี่ยุ่งเลยตรงนี้บางทีเราพูดแค่ทฤษฎีแค่รูปแบบเช่นว่าทุกคนควรมีที่กันคนละสองไร่ในสองไร่งนันก็ทําเป็นสระบ้างทําเป็นป่าบ้างทําเป็นนาบ้างทําเป็นอะไรบ้างเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าระบบะเผด็จการทําได้ เขามาเปลี่ยนระบบสังคมใหม่ปุ๊บทุกคนมีที่เท่ากันปุ๊บแต่มันไม่เป็นไม่ใช่มาไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เป็นอย่างที่พอเพียงแน่นอนเพราะคุณไปจํากัดเอารูปธรรมเป็นตัวตั้งเน่ยสังคมเอคอมมิวนิสต์ยังทําไม่ได้เลยใช่ไหมยุคของเติ้งทําได้ที่ไหน ยุคของเหมาก็ทำไม่ได้ยุคของพรพศก็ยังทำไม่ได้ <c oughs> ฮิตเลอร์ยิ่งไปใหญ่ทำไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้นทิฏฐิจลิตเออไม่ให่นี่เป็นทิฏฐิไอ้ตัวตั ว, ตวมิฉาทิฏฐิมีกำลังถึงบอกว่าไปปรับที่รูปธรรมาไม่ได้มันต้องปรับที่ปัญญาันต้องเพิ่มเรื่องปัญญาความรู้ความเข้าใจแล้วก็ให้เข้าใจความจริงบางทีเราไปเอาความเห็นเนี่ยนะ เอาความเห็นของเรามาแสดงทัศนะแต่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเช่นความเป็นจริงอย่างยกตัวอย่างเช่นยอมพี่หญิงใหญ่กันนินเนี่ยต่างกันแล้วพอเพียงยอมพี่หญิงใหญ่พอเพียงกันนินเนี่ยต้องต่างกันแน่นอนต่างกันคนละเรื่องเลยนินก็อยู่ในทุ่งไร่ทุง่ทงนาได้ชีวิตอยู่ยังไงก็ว่าไปแต่ยอมพี่หญิงใหญ่ไม่ได้เด็ดขาดพอเพียงอย่างนั้นไปไม่เป็นเลยไปไม่เป็นเพราะว่า เรียนรู้มาต่างกันสิ่งแวดล้อมมาต่างกันสภาพสังคมที่ต่างกันความรู้ความเข้าใจที่ต่างกันศักยภาพก็ต่างกันด้วยนะศักยภาพที่ต่างกันนี่แหละประเด็นมันอยู่ตรงว่าถ้าถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิยังไงก็พอเพียงไม่ได้มันเป็นมิจฉาทิฏฐิพอเห็นไม่ตรงใช่ไหมองค์มรรคไม่เกิดแต่ถ้าสัมมาทิฏฐิเกิดสัมมาสังกปะเกิด สัมมาวาจ a เกิดสัมมากรรมะกตาสมาชีวะสัมมาวายามาสมาสติสมาสมาธิมันเกิดจริงมันปรับกระบวนการด้านคุณธรรมภายในได้พอเพียงในรูปรูปธรรมไม่เท่ากันแน่นอนเช่นท่านอนาถาปิณิกาเศรษฐีนี่เนี่ยพอเพียงนางวิสาขาข่านก็นกนพอเพียงกลุ่มนี้คือกลุ่มพระญาณนะอุบาลีเรื่องธรดีก็พอเพียงเนี่ยพอเพียง หรือท่านวิสาขะกรมนี้คาราวะจะเป็นพาะริยมหมดเลยนะอกฆาเศรษฐีเนี่ยเนี่ยหรือว่าหมอชีวกกมารพัฒพระเจ้าพิมพิสารโอ้เยอะเลยนะกรมเนี้ยเนะี่ยเราจะเห็นว่าเออเนี่ยนะวิถีชีวิตเ่าเนี่ยพอเพียงนะแต่แต่อยู่ในสาระณภาพที่ตา่ตางกันไม่อปรียบไม่อปรียบ อเอางี่เนะี่ยเออเข้าใจที่โยบิยิ ง, งพูดเลย อนาถปิณฑิกาเศรษฐีท่านจะมีอัธยาสัยด้านอย่างก็คือว่าท่านจะแจกทานทุกวันเวนลาแจกทานเนี่ยหนึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยสาวกเนี่เข้ามาที่บ้านเนี่ยวันละห้าร้อยลูกให้ทานทุกวันเนี่ยหลังจากแจกทานให้กับผู้มีศีลระดับพระพุทธเจ้าสาวกพระุทธเจ้าเป็ดเสร็จแล้วก็แจกทานบุคคลทั้งหมดเนี่ยตั้งเป็นโรงทานไว้ แต่สภาพอาหารอาจจะต่างกันตามตามสถานภาพนี่นะีมีอยู่ครั้งหนึ่งเศรษฐกิจสุดท่านจนหรายได้จากการค้าขายไม่เข้าและถูกโกงเงินทองเริ่มเล่อยหล่อแต่ท่านไม่หยุดในการให้ทานแต่การแจกทานของท่านเนี่ยลดปริมาณลงจากของดีกลายเป็นของไม่ดี ยกเว้นให้พระพุทธเจ้าและสาวกยังเป็นของดีอยู่แต่ถ้าแจกทานคนอื่นใช้ข้าวปลายกุยเนใช้น้ำต้มผักดองแจกมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านก็ไปถามพระพุทธเจ้าบอกว่าการให้ทานของท่านแบบนี้ชื่อว่าให้ทานที่เศร้าหมองใช่ไหมพุทธเจ้าบอกว่าสภาพจิตใจเศร้าหมองไหมจิตโปร่งโล่งเกลี้ยงเกลาเป็นอิสระไม่ลำเอียง ถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่เรียกว่าเศร้าหมองเลยเพราะให้ตามสภาพตามความเป็นจริงที่ตนเองมีอยู่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพอเพียงเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูแบบอย่างของอริยชนที่ท่านเข้าถึงมัชฌิมาท่านเข้าใจแม้มัชเชนะธรรมเทศนาเข้าใจแม้มัชฌิมาปฏิปทาท่านเข้าใจความคิดที่เป็นกลางและการปฏิบัติที่เป็นกลางชัด เห็นไหมความคิดที่เป็นกลางเราดูให้สังเกตดูนะเออให้ไม่เหมือนกันเนี่ยให้กับพระสงฆ์ให้กับพระพุทธเจ้าเนี่ยกับให้บุคคลทั่วๆไปไม่เหมือนกันนี่ความคิดเป็นกลางนะแต่ไม่เหมือนกันเลยท่านวัดกันตรงที่อุดมภพีกับที่กับกุศลธรรมเป็นวัดกันตรงนั้นท่านฉลาดพอในการที่จะแยกแยะว่าควรให้ใครก่อนใครหลังสงเคาะใครก่อนสงเคาะใครหลังปฏิบัติต่อใครก่อนปฏิบัติต่อใครหลัง นี่นี่คือความสำคัญของคาว่าความเป็นกลางทางด้านความคิดและก็เป็นกลางทางด้านการปฏิบัติพอมองเห็นไหม <laughs> ยากไหมเนี่ยนี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นเวลาเราจะ ก, กล่าวในเรื่องของความเป็นกลางทั้งด้านความคิดทัางด้านการปฏิบัติเนี่ยก็ต้องยกแบบอย่างของอริยชนเนี่ยมาเป็นหลักนะแบบอย่างในอรยชนมาเป็นหลักเราจะได้เข้าใจตรงนี้ค่อนข้างชัด ทีนี้ถ้าเรามองอย่างโลกโลกใงปัจจุบันถ้าสมมุตินะมันจะมีสองส่วนใช่ไหมเราแสดงทัศนะหนึ่งความเห็นสองกับความจริงใ้ความรู้กับความเห็นนี่แหละถ้าเอาความเห็นมาโอ้โหไม่จบเลยเลยเนี่ยในะความเห็นเนี่ยเพราะความเห็นที่เราเอาความเห็นจากโดยทั่วๆไปแต่เราไม่มีหลักความจริงมาเป็นเครื่องวัดเนี่ยโอ้โหเถียงยุ่งเลยเนี่ยฉันเห็นว่า สิทธิมนุษยชนมนุษย์ต้องเหมือนกันโอ้ยมันเป็นเรื่องใหญ่เลยเนี่ยเหมือนกรณีที่บอกว่าผู้หญิงต้องบวชภิกษุณีได้เพราะเป็นสิทธิมนุษยชนจริงๆแล้วเนี่ยการบวชได้เนี่ยผู้หญิงมีสิทธิ์บวชตลอดแต่ประเด็นมันอยู่แล้วใครจะมีสิทธิในการที่จะเป็นผู้บวชให้เธอเนี่ยตรงเนี้ย เพราะพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วยังไงแล้วหลักการเนี่ยผู้หญิงก็ยังมีสิทธิ์อยู่ทุกประการไม่มีใครไปตัดรอนร้องแต่ประเด็นว่าใครจะเป็นผู้ดี <c oughs> เอออันเนี่ยสง้าไหมล่ะถ้ากล้าก็แล้วทําถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าบอกไหมงั้นโอ้โหต้องว่ากันอีกทีเรื่องใหญ่เลยนเนี่ยเนี่ยเราอ้างบางอย่างเนี่ยที่เอาความเห็นขึ้นมาใส่กันมาแต่มไม่รู้ความจริงคืออะไรเนี่ยนถ้าเอาความจริงมาวัดตูมขึ้นมาเนี่ยมันก็อ้อมันเป็นอย่างเนี้ย นันความเห็นที่นี่มันยังมีความเห็นท้อนความจริงเินที่บอกว่าเอาความรู้ประกอบความคิดเห็นกับเอาความคิดเห็นประกอบความรู้นี่ต่างกันตรงไหนอ่ะย่างีใหญ่จะคิดเลยนะเอาความรู้ประกอบความคิดเห็นกับเอาความคิดเห็นประกอบความรู้ต่างยังไงยากไหม ความรู้กับความเห็นเข้าใจเอาความรู้ประกอบความคิดเห็นกับเอาความคิดเห็นประกอบความรู้ต่างกันยังไงเด้อยว้ต้องสองสองคำนี้ก่อนเอาความรู้ประกอบความคิดเห็น แล้วความคิดเห็นประกอบความรู้เป็นยางไง แล้วแล้วจริงๆแล้วแบบไหนถูกแบบที่สองถูกเอา้ายกตัวอย่างให้เห็นชัดชัดสักหน่อยนวะว่าสมมุติเนี่ยเอาเรื่องจริงเลยยอมพี่หญิงใหญ่ขึ้นไปบนเวลเนตของยอมดาไปพักที่นั่นใช่ไหมที่เวลเนตที่ข้างบนเนี่ย ไปพักที่ที่ที่โยมดา ร, รมพอไปแล้วเนี่ยสมมตินะว่าไปเห็นสถานที่ตรงนี้โอ้มันมันชอบที่จริงมันมีส่วนที่ไม่ชอบก็มีนะแต่ไม่พูดมันไม่พูดก็เขียนโอ้ชอบชอบบรรยากาศชอบสถานที่ชอบอะไรก็แล้วแต่พอไปถึงปุ๊บโยมผู้หญิงใหญ่ก็ไปก็ไปพูด สุดยอดที่ตรงนี้ดีจริงๆอากาศก็ดีที่อยู่ก็โอเคอาหารก็โอเคมันดีมากกว่างั้นนะึลักษณะนี้เขาเรียกว่าเอาความคือคือจริงๆไม่บอกทั้งหมดเอาในส่วนที่ตนเองชอบเอาตนเองรู้ว่าตนเองเข้าใจเอาตนเองเห็นดีเห็นงามไปเสร็จแล้วก็มาบอกมาโฆษณาว่าสุดยอดจริงๆลักษณะเนี้เขาเรียกว่าเอาความรู้ ประกอบความคิดเห็นเอาความรู้ประกอบความคิดเห็นตา่อ ม, มายมบีก็ไปไปพักบ้างยมบีไปดูทุกอย่างในนั้นทั้งหมดแล้วก็มาพูดเหมือนกันว่าจุดดีคือเป็นอย่างนี้มีกี่หลังกี่หลังกี่หลังจุดเสียคือเป็นอย่างนี้เบสเสร็จบอกทั้งหมดเลยเหมือนยก สถานที่ตรงนี้ยมาตั้งอยู่ตรงหน้าคนที่ไม่เคยไปเลยบอกทุกแง่ทุกมุมแล้วก็ติ่งความเห็นตนเองบอกว่าถ้าเป็นชั้นนะเห็นว่าที่ตรงนี้มันมีจุดดีอย่างนี้จุดเสียอย่างนี้แต่อันนี้เป็นความเห็นนะเป็นความเห็นใครอาจจะเห็นด้วยก็ได้ไม่เห็นด้วยก็ได้ลักษณะนี้เขาเรียกเอาเอาความคิดเห็นประกอบความรู้ไปติ่งกับความรู้ไปประกอบความรู้ ถ้ามนุษย์จะเถียงหรือคุยอะไรกันถ้าใช้ประเด็นหลังคุยกันเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่โดยส่วนใหญ่มันไปปรุงแต่งเอาความรู้มาเป็นความเห็นของตอนเองเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาแสดงทัศนะออกมาแล้วก็พูดในแง่ที่ตนเองชอบตนเองที่เห็นตนเองที่ชอบใจมันเลยกลายเป็นประเด็นปัญหามันคุยกันไม่จบในการเอาความรู้ประกอบความคิดเห็นเนี่ยนะ มันคุยไม่จบทุกคนก็มันไปเห็นแล้วฉันเห็นฉันอย่างนี้ฉันชอบฉันอย่างนี้สารที่ตรงนี้มันเป็นอย่างนี้ทุกคนควรจะเห็นตามฉันพอมีใครแย่งกันมาอา่าวหรไปไปมาก็แยกกลุ่มแยกพูใช่ไหยนี่คือคือประเด็นอย่างเงี้ยเวลาเราจะศึกษาพระธรรมมันก็ต้องแยกให้ออกว่าอะไรคือความรู้อะไรคือความเห็นและอะไรคือเอาความคิดเห็นประกอบความรู้เป็นไงเ อ, อันนี้ ความรู้ประกอบความคิดเห็นเอาความคิดเห็นประกอบความรู้ยังไงก็แยกตรงนี้ให้ชัดถ้าแยกตรงนี้ไม่ชัดนะเข้านะเข้ามันก็ไม่เป็นกลางทางด้านความคิดเรื่องการปฏิบัติไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงมันไปไม่ได้แต่ถ้าเข้าใจและแยกสองส่วนระหว่างความรู้กับความเห็นเอาความรู้ประกอบความคิดเห็นเอาความคิดเห็นประกอบความรู้ถ้าเข้าใจสองประเด็นนี้ชัดแล้วแต่นี้เราจะจะเข้าใจแล้วเวลาศึกษาเวลา ประพฤติปฏิบัติหรือว่ า, าไปวิจัยอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะได้ไม่ไปยึดติดแต่ความเห็นของเรา เ, เพราะบางถ้าคนที่เข้าใจความจริงของของโลกของชีวิตเนี่ยแม้แม้เนี่ยบริเวณสลาเนี่ยบ้านหลังนี้มันมีทั้งจุดเด่นมีทั้งจุดด้อยจริงๆแล้วนั้นคือความจริงแต่ถ้าเราดูอย่าง ไม่เป็นมัชมาปฏิปทาแล้วหรือถ้าเราไม่มีไม่มีความกลางไม่เป็นกลางทางด้านความคิดแล้วมันก็ดูด้วยอคติแต่ฉันชอบมันก็จะดิ่งลงไปแล้วมันโอเคดีหมด ท, ทั้งทั้งที่มันไม่ดีก็เยอะเนี่ยก็เลยไม่มองเห็นสิ่งตั้งหลายตามที่มันเป็นเนี่ยการคิดในลักษณะเนี้ยไม่เป็นกลางทางด้านความคิดนั้นมันจะต้องมองเห็นทั้งส่วนดี ส่วนด้อยของเขาให้ชัดแล้วก็มองหาทางออกด้วยทางออกที่ควรจะเป็นให้ชัดด้วยเออถ้าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามันเป็นกลางทางด้านความคิดแล้วเวลาตนเองจะปฏิบตัติมันก็จะดาเนินไปตามสายกลางนั้นชัดใช่ไหมฮะทำนั้นจะดําเนินตามดําเนินกระแสชีวิตไปตามหลักมัชชิมาปฏิปทาหรือสายกลางได้ยังไงนายมองเข้าใจไหมตรงเนี้ยมันไม่มี ถ้าเรามองอย่ายกเนี่ยกระ บ, บอกน้ำขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันมีจุดเด่นนะเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันก็มีจุดด้อยด้วยแต่ใครจะเห็นแค่ไหนแต่ถ้าเรามองด้วยความลำเอียงเนี่ยมองด้วยไม่เป็นกลางทางด้านความคิดขึ้นมาโอ้โหเนี่ยทำบอกไม่ชอบคือมันไม่ชอบเลยนะ ถ้าชอบก็เลยชอบขึ้นมาแล้วก็หาความคิดเห็นใดๆเยอะแยะมาสนับสนุนความชอบดัวยเองอีกกลุ่มนึงก็หาสิ่งที่ไม่ดีมาสนับสนุนความไม่ชอบตัวเองลักษณะนี้เขาเรียกไม่เป็นกลางทางด้านความคิดส่วนการปฏิบัติที่เราจะมาเกี่ยวข้องกับกระอกบอกน้ําอันนี้โอ้โหอันนั้นก็คือว่ามันก็ปฏิบัติแบบเมื่อความคิดมันเอียงการปฏิบัติต่อสิ่งนี้ก็เอียงการคิดมันสุดตรงการปฏิบัติต่อสิ่งนี้ก็สุดตรงการ คิดต่อสิ่งนี้ไม่พอดีไม่พอเหมาะกับความเป็นจริงการปฏิบัติต่อสิ่งนี้ก็จะไม่พอดีไม่พอเหมาะกับความเป็นจริงการพูดถึงสิ่งนี้ถ้ามันไม่พอดีกม็มันมาจากอี่ยมันก็เลยไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่มันเป็นพอจะมองเห็นหรือยังยากไหมเนี่ยห <c oughs> ้ามีทิฏฐิข้อนี้เนี่ยต้องบอกเมื่อเข้าใจแล้ว การทํามันต้องทําได้แต่ที่มันทําไม่ได้เพราะมันไม่เข้าใจขอให้มันเข้าใจจริงๆเดี๋ยวมันจะได้ดําเนินชีวิตไปถูกทางสายกลางสักทีใช่ไหมน้าม่ได้เป็นประโยชน์ถ้างั้นมันจะไม่เป็นประโยชน์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกลางทางด้านความคิดกับกลางทางด้านปฏิบัติใน ต, ตรงเนี้ต้องฝึกมรณสิ ก, การใส่ใจให้เป็นถ้าอย่างนั้นชีวิตของเรามันก็เอียงสิเอียง มันก็กลายเป็นไม่พอดีไม่เป็นกลางมันตึงไปบ้างหย่อนไปบ้างไม่พอเหมาะพอดีไม่เป็นสายกลางไม่เป็นมัชฌิมาปฏิบัติสักทีทีนี้เวลาเรากล่าวออกมาจากคาพูดที่เราไม่เป็นกลางนี่แหละคำพูดของเราก็ไม่เป็นมัชฌิณธรรมคาพูดของเราเนี่ยการแสดงของเราก็จะไม่เป็นมัชฌิณธรรมเนี่ยใช่ไหมไม่ต้องพูดถึงการปฏิบัติก็จะไม่เป็นมัชฌิมาปฏิบัติ แต่พะความคิดมันเป็นกลางได้เมื่อไหร่มันพอดีได้เมื่อไหร่เวลาเปล่งหรือกล่าวหรือมีทัศนะหรือมุมมองแสดงทัศนะทั้งหลายออกมามันก็จะกลายเป็นมัชเชนะธรร ม, มเทศนามัชเชนะธรรมมันจะมีการพูดที่เป็นกลางไอ้ตรงนี้ต้องฝึกเพราะเรามันคนสุดตรงมาตลอดเรามันไม่ได้มีมาในชีวิตที่ผ่านมาเนี่ย ความคิดเราก็ไม่เป็นกลางข้อปฏิบัติเราก็ไม่เป็นกลางถ้าความคิดเราเป็นกลางข้อปฏิบัติเป็นกลางเราไม่คงไม่มานั่งอยู่ตรงนี้แน่นอนปัจนจุบันพ้นทุกเป็นพระอริยะไปเรียบร้อยหมดแล้วเอาใจา ย, ยังสแสดงให้เห็นชัดว่าเราเนี่ยโน้มเอียงไปทางด้านสุดตรงตลอดแม้ทางด้านความคิดแม้ทางด้านการปฏิบัตเเิเราจึงไม่ได้เป็นพระอริยะเราจึงไม่ได้เป็นพระโสดาบันสกาาัดทาคาพระนาคาและพระรหัารนี่เริ่มชัดเจนนี่ยังฉะนั้นถ้าเรา กระบวนการความคิดของเรายังเป็นกลางไม่ได้ข้อปฏิบัติก็เป็นกลางไม่ได้งั้นกลางทางด้านความคิดเป็นยังไงกลางในทางด้านการปฏิบัติเป็นอย่างไรอันนี้สําคัญที่สุดเพราะจะดําเนินไปสูชีวิตที่ประเสริฐและดีงามได้เข้า <c oughs> ถึงจุดหมายปลายทางความพ้นทุกข์ได้หรือไม่วัดกันตรงนี้ <c oughs> ว่าเป็นกลางทางด้านความคิดได้หรือยังและเป็นกลางทางด้านการปฏิบัติได้หรือยัง <c oughs> อันนี้สําคัญมากต้องเข้าใจให้ชัด แล้วก็ปฏิบัติให้ถูกถ้าเข้าใจตรงนี้ไม่ชัดแล้วปฏิบัติไม่ถูกโอ้โหยุ่งเลยดนเดี๋ยวนี้ยุ่งแล้วตรงนี้มีประเด็นอะไรยังติดค้างอยู่ไหมมีอะไรจะถามไหมสำคัญไหมเนี่ยสำคัญยังไงเช่แสดงความเห็นเลยสิสำคัญยังไงสำคัญยังไง ลำดับแรกเราจะต้องทำอะไรให้เป็นกลางก่อนความคิดให้เป็นกลางก่อนเนี่ยความคิดจะต้องเป็นกลางก่อนนั้นการปรับเนี่ยต้องปรับกระบวนการความคิดทัศนคติมุมมองให้ชัดให้เป็นกลางให้ได้ถ้าปรับตรงนี้ไม่ได้ นะมัชฌิมาปฏิปทาเดินไม่ได้เนี่ยนะข้อการปฏิบัติที่เป็นกลางมันจะปฏิบัติยังไงนในเมื่อความคิดยังมีความโน้มเอียงมีอคติไม่ปลอดโปร่งไม่โล่งมันเป็นกลางไม่ได้มันเป็นกลางไม่ได้ไไดทุกเรื่องไหมเนี่ยโอ้โห <c oughs> พูดเรื่องนี้แล้วเราเริ่มใกล้เข้ามาหรือยังเริ่มใกล้มัชฌิมาปฏิป thag าาันชัดขึ้นแล้วดังนั้นต้องปรับกระบวนการความคิดให้ชัดทีนี้ ถามต่อตรงนี้เราเริ่มเข้าใจนะเราจากทำอย่างไรให้ความคิดของเราเป็นกลางแล้วมีเข้าถึงความพอดีได้ไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปได้เริ่มต้นจกทำอย่างไร ฟังเรียนจากกับบุคคลที่มีความคิดที่เป็นที่เป็นกลางเป็นมัชฌิมาปฏิบทาเสบคุณกับกาลยานามิตรใช่ไหมที่มีทัศนคติมุมมองที่เป็นมัชฌิมาปฏิบทาห่างไกลจ า, ยยากคนที่มีทัศนคติมุมมองที่เป็นอคติเนี่ยไม่เป็นกลางไม่เพรอเหมาะพาะดา 100, อดีห่างให้ไกลร้อยยอดพันยอด เหมือนห่างไกลสุนัขที่ดุหรือว่าเสือที่ดุนะหรือโจรอย่างงั้นเป็นต้นแล้วก็เข้าใกล้สมาคมพบหาเสพคุ้นกับบุคคลที่มีกระบวนการความคิดมีมุมมองหรือทัศนคติที่เป็นกลางนะที่มีความเหมาะและก็มีข้อปฏิบัติที่ดำเนินไปตามสายกลางอย่างนั้นใช่ไหเราคิดอย่างนี้ใช่หมอ้าวถามต่อ แล้วในยกนี้เราจะหาบุคคลที่เราตั้งจินตนาการที่มีมุมมองทัศนคติด้วยความคิดที่เป็นกลางจากไหนแล้วที่ผ่านมาในชีวิตของเราเนี่ยเราเจอแล้วหรือยังที่มีคนมีมุมมองทัศนคติที่เป็นกลางเนี่ยในสิ่งแวดล้อมของเราที่เกี่ยวข้องอยู่เนี่ยพอจะเห็นบ้างหรือยังว่าเราเห็นแล้วแวบๆคนคนเนี้ย มีทัศนคติมุมมองที่เป็นกลางจริงๆมีความคิดที่เป็นกลางจริงๆเราเห็นแล้วหรือยังทีนี้ประเด็นก็เลยบอกว่าถามต่อ เมื่อเรายังไม่มีกระบวนการความคิดทัศนคติมุมมองที่เข้าไปคิดที่เป็นเกวนกลางทางด้านความคิดได้แล้วเราจะไปตัดสินหรือรู้ได้ยังไงคนที่เราไปรู้ซสือเสพคุณเนี่ยเขามีกระบวนการความคิดและมีข้อปฏิบัติ ท, ที่เข้าถึงทางสายกลางจริ ง, งนี่ถามลึกไปวา <laughs> เอเจาะลงไปอีกไม่ไหวลิจะจองไปอีกไหมเราเริ่มเราเริ่มเราเริ่มจะรู้หรือยังว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนของคําสอนของพระเจ้า เหม็มว่ากระบวนการความคิดที่เป็นกลางกับข้อปฏิบัติที่เป็นกลางเนี่ยแค่ตรงเนี้ยเราก็จะเริ่มเห็นความยากความละเอียดอ่อนความที่จะต้องพิถีพิถันจะต้องวิจัยแยกแยะค่อนข้างเยอะ <c oughs> เข้าใจคาว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมหรือยังเย้มาเข้าเรื่องนี้เพไง <c oughs> อา้าวจะนี้วคำว่าหลักกรรมในพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเนี่ยเป็นมัชฌิมาปฏิปทาไหมเป็นยังไงถ้าเป็นยังไง เราบอกว่าหลักกรรมในพุทธศาสนาที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยเป็นมัชฌิมาปฏิปทามไหมจะบอกว่าเป็นและเป็นยังไงอย่างยกเหตุผลมากล่าวบอกให้ดูที่ องตอบมาบอกว่ามร์องค์แรกคือสมาธิธมีมีคําว่ากรรมอยู่ในนั้นด้วยใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรอ๋อกรรมสักตาสมาธิธใช่ไหม <c oughs> ปัญญาที่เข้าไปรู้ไปรู้แล้ไปเข้าใจในเรื่องกรรมและผลของกรรมใช่ไหม <c oughs> ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทาอย่างนั้นใช่หรือไม่ ทีนี้แล้วมาร์กเนี่ยมันเป็นกรรมได้ยังไงอ่ะกรรมได้แก่อะไรถ้าพุทธพจน์บอกว่าเจตนาหังพิกเวกรัรมมังวทามิเจตยิตรว่าเป็นตัวเหล่านี้บอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะถากขดกล่าวว่าเจตนาเป็นตัวกรรมแล้วสมาธิที่ใช่เจตนาไหมไม่ใช่สมาธิที่ตัวปัญญาไม่ใช่เจตนาเนี่ยหนูเน ไ, ไหมทีนี้ แล้วมรรคคือสมาธิธิกับกรรมคือเจตนากรรมมันต่างกันยังไงมรรคเป็นกรรมได้ไหมมรรคเป็นกรรมได้ไหมไม่ใช่เจตนาเป็นกรรมได้หรือ แล้วบอกว่าเจตนาหังพิกเวกัมมังวทธามิดูก่อนพิสุท์ทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาเนี่แหละเป็นตัวกรรม รุปแล้วคำว่ากรรมจริงๆก็คือไม่ได้ขับเน้นที่ตัวเจตนาอย่างเดียวใช่ไหมตัวสมาธิเป็นกรรมได้ด้วยอย่างนั้นใช่ไหมและสมาสังคปะเป็นกรรมได้ไหมสมาวาจาสมากรรมตาสมาชีวะสมาวาิมารสมาสติสมาสมาที่เป็นกรรมใช่ไหมเนี่ยกล่าวอย่างนั้นใช่ไหมมีหลักฐานที่ไหนรับรอง ใช่ใช่องค์มรรคไม่มีเจตนาใช่ถูกต้องโอ เมื่อสักครู่ยกพุทธพจน์ที่บอกว่าเจตนาหังพิกเวกัมมังวดามิเจตยิตวากัมมังกโรติกาเยนวาจายะมนันสาก็แปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราส ถ, ถาคตกล่าวว่าเจตนานี่แหละว่าเป็นตัวกรรมเมื่อบุคคลถูกกระตุ้นเตือนด้วยอํานาจของเจตนาแล้วถูกกระตุ้นเตือนด้วยอํานาจความจงใจแล้ว ย่อมกระทําการงานที่เกี่ยวกับกายบ้างวาิจาบ้างและใจบ้างดังนี้คําว่ากรรมเนี้ยเป็นชื่อของการกระทําเป็นชื่อของเรียกว่าการงานก็ได้เป็นการกระทําทางกายทางวิจาและใจนั้นการกระทําต่างๆจะสําเร็จลงได้ต้องอาศัยเจตนาเป็นประธานหรือเป็นตัวนําเพราะฉะนั้นเจตนาจึงชื่อว่ากรรมแต่ การเรียกเจตนาเป็นตัวกรรมนั้นเป็นการเรียกโดยอ้อมเป็นการเรียกโดยอ้อมคือยกเอาชื่อของผลมาตั้งอยู่ในฐานะ เ, เหตุเพราะกรรมจะสำเร็จลงได้ต้องอาศัยสภาวะธรรมตัวอื่นไม่ใช่เฉพาะตัวเจตนาตัวเดียวการเรียกเจตนาเนี่ยเป็นการเรียกโดยอ้อมเป็นการเรียกเอาผล แต่จริงๆเป็นว่าดูออกดูผลจริงๆก็คือว่าเอาผลมาตั้งอยู่ในฐานะ่างผัสเวทนาก็ต้องประกอบกับเจตนาช่วยส่งเสริมเจตนาด้วยสัญญาผัสสะหรือสภาวธรรมอื่นๆ อ, อ, อีกเยอะทั้งถ้ามองไปถึงตัวโลภะโทสะโมห oh ะ นี่เป็นอคุรกรรมนะก็ต้องเข้าไปสนับสนุนไปเกื้อหนุนอีกเยอะมากแค่บลำพังเจตนาตัวเดียวอย่างเดียวเป็นกรรมไม่ได้เพราะไม่สามารถขับเคลื่อนให้สาเร็จความเป็นมโนกรรมได้หรือขับเคลื่อนความเป็นกายกรรมและวิจีกรรมให้สาเร็จลงได้การที่กระบวนการความคิดความอ่านจะออกมาได้ที่เป็นมโนกรรมได้ สมรรถผลเ ป, เป็นความโลภโกรธหลงหรือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงชอบหรือไม่ชอบดีใจเสียใ จ, ใจทั้งหลายเหล่านี้กระบวนการความคิดที่จะสมรรถผลออกมาได้ต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งภาษาเวทนาสัญญาเจตนาอะิรเยอะเป็นองค์ประกอบช่วยเกื้อหนุนทําให้เจตนานั้นมีพลังทําให้สภาวะธรรมอื่นร่วมกันแล้วมีพลังผลักดันออกมาเป็นกระบวนการความคิดชอบไม่ชอบ กระบวนการคำพูดที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องกระบวนการกระทําที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องออกมาจึงสําเร็จเป็นการงานเขาจึงเรียกว่ากรรมเริ่มเห็นชัดหรือยังทีนี้ประเด็นย้อนกลับไปที่คาถามมาร์เนี่ยใช่ไหมถามเรื่องมาร์กเป็นกรรมไหมเนี่ยมาร์กนี่เป็นกรรมหรือไม่ ถ้ามาร์กเป็นกรรมมาร์กนี้เป็นกายกรรมเป็นวจีกรรมหรือเป็นมโนกรรมทีนี้ถ้าพูดถึงว่าเอาเราทีนี้เรายอมรับว่ามาร์กเป็นกรรมแล้วใช่ไหมทีนี้เมื่อมาร์กเป็นกรรมเนี่ยมาร์กเป็นกรรมประเภทไหนหนึ่งเป็น ชนกกรรมออปธัมพกกรรมอุปปีรักกรรมออปคาตกรรมหรือเป็นครุกรรมอสันกรรมอจินกรรมกระตตาวาปนกรรมหรือเป็นทิฏฐธรรมเวทียกรรมอุปชาเวทียกรรมอปราประเวทียกรรมหรืออโหสิกรรม่ลึกไปเอ้ อา้าทีนี้เมื่อกี้บอกว่ามาร์กเป็นชนกกรรมก็แสดงว่าชนกกรรมแปลว่ากรรมแต่งให้เกิดให้รูปรขันเกิดขึ้นในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นนะเห็นไห ม, ไหมถ้ามาร์กเนี่ยมาร์กแต่งให้เกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายเป็นมนุษย์จะเปนเทวดาเป็นพรหมได้ไหมไม่ได้มาร์กต้องตัดเนี่ย เห็นไหมปุปปีก็เรียกว่าเบียดเบียนเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ั้นเดี๋ย ว, ยวมันจะถามลึกไปเอางี้ย้อนกลับมาไหมนิดนึงย้อนถอยไปนิดนึง <c oughs> อ <laughs> ม่จะจะทำไมตอบได้ <laughs> ทีนี้เอาเอางี้ดีกว่านะมันจะมีกรรมสี่กรรมนะกรรมดําให้วิบากดํมามรคนี้เป็นกรรมดําหรือเปล่าฮนะกรรมดําให้วิบากดำนะกรรมดําให้วิบากดําหมายถึงอากุศลกรรมใช่ไหมให้ อกุศลวิบากรรมขาวให้วิบากขาวหมายถึงกุศลกรรมให้วิบากขาวใช่ไม้มมักใช้กรรมขาวไหมกรรมทั้งดําและขาวให้วิบากทั้งดําและขาวคระเค้ากันไปใช่ไหมกรรมที่ไม่ดาไม่ขาวมีวิบากที่ไม่ดาไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมใช่ไหม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 เป็นมรคเจตนามรคที่เกิดร่วมกันกับเจตนานะีมรคที่เกิดร่วมกับเจตนาด้วยนั้นโพชชงเจตเนะีอริยมรคมีองค์แปดจัดเข้าเป็นกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวมีวิบากที่ไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพราะความสิ้นกรรมเนีเป็นไปเพราะกรามสิ้นกรรมนะ จริงๆแล้วที่เขาจัดไว้แค่นี้ก็จริงแต่ทั้งหมดสติปฐานสี่สมปทานสอิทิบาทสี่อินทรีห้าพระรห้าโพชฌงเจ็อริยมรรคมีองค์แปดพธิี่ปักเนี่ยทำทั้งหมดจัดว่าเป็นมรรคกรรมแต่ว่าในหลักฐานจริงๆท้านอ้างว่าแค่นี้แต่จริงๆต้องพูดในฐานะต้องเข้าใจกระบวนการที่เกิดความเข้าใจชัดเจนงั้นการเจริญสติปฐานสี่ก็เป็นมรรคกรรมใช่ไหม เป็นกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวมีวิบากที่ไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมใช่ไหมว่าเราปรารถนาจะพ้นทุกข์ใช่ไม่ใช่สมมาประธาน4 ส, สติประธานสีสมมาประธาน4อิธิบาท4อินราาีย์5บาระหโพธชงเจ็มาร์กแที่จริงคําเน้นในหลักจริงๆท่านเอาโพธชงเจ็กับมาร์กแ ก็ถือว่าเอาโพธิปักมาทั้งหมดแล้วมักมีองแปดพระละห้าโอ้โหกำลังตามเก็บใหญ่เลยตามเก็บโพธิปักใหญ่เลยต่อไปจะได้บรรลุธรรมใคร กรรมดำให้วิบากดําหมายถึงอกุศลกรรมมบทให้อกุศลวิบากอบายทุกติวิบากว่าไปกรรมขาวให้วิบากขาวหมายถึงกุศลกรรมบททําให้เกิดเป็นมนุษย์เทวดาและพรหมมันเลยไปไม่ได้เพราะทําให้วิบากขาวไงทําให้เกิดสุคติโลกสวรรค์ก็ยังเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอยู่กรรมทั้งดําและขาวมีวิบากทั้งดําและขาวกระเข้ า, ขากันไปมันสลับกันไปสลับกันมาอันนี้เดี๋ยวก็ลงอบายเดี๋ยวก็ขึ้นสุคตินี่นะ มันก็ไปไม่ได้เหมือนกันกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวมีวิบากที่ไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมอันนี้เป็นโพชงเป็นอริยมรรคเป็นการดำเนินไปสู่ความพ้นทุกข์ไม่ใช่เป็นไปในวัฏฏะไม่ใช่ดำเนินไปสู่วัฏฏะเป็นกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวมีวิบากที่ไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นจากกรรมตัดกรรมแห่งสังสารรจักรพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด นี่คือโพชฌงค์นี่คืออริยมรรคนี่คือสติปัฏฐานเป็นต้นเนี่ยพระพุทธเจ้าค้นพบขนทางนี้แหละจึงมาเปิดเผยจึงมาแสดงมาบอกกล่าวก็เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาทางดําเนินไปสู่ความพ้นทุกข์เป็นกรรมที่ไม่ดําไม่ขาวมีวิบากที่ไม่ดําไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมควรเดินไหม <c oughs> ควเดินสติปัฏฐานสี่ สติปฐานสี่อ๋อต้องทำโหเริ่มยุ่งเลยเนี่ยเริ่มไมแม่ต้องทําทั้งหมดเลยถ้าไม่หมดกลวไม่รอดเลนะอ๋ออยากจะทําสักข้อเดียวแล้วรอดเลยใช่ไหมเนี่ยแม่จริงจริงเอ๋อมากแปดใช่ไหมเอามากแปดอย่างเดียวพอไหมจริงจริงแล้วเนะ น, นี่ยเอางี้เอางี้ สัมมาทิฏฐิเนี่ยความเห็นที่ถูกต้องคือเห็นในไห น, ไหนเห็นในอริยสัจสีนั่นไปอริยสัจสีแล้วนะสัมมาสังกปะความดําริถูกต้องดําริในไหนกุศลสังกปปะสามสัมมาวาจาการกล่าววาจาถูกต้องคือเว้นจากวจีทุจริตสีสัมมากัมมันตะการกระทําที่ถูกต้องเว้นจากกายทุจริตสามสัมม า, าชีวะ การเลี้ยงชีพที่ถูกต้องเว้นจากกายทุจริตสามวจีทุจริตสีสัมมาวายามะเพียรถูกต้องเพียรในส ม, มัสประธานสี่สมัสประธานสี่สัมมาสติการระลึกถูกต้องระลึกในสติประธานสี่สัมมาส ม, มาธิการตั้งมั่นถูกต้องก็คือตั้งมั่นในฌานทั้งสี่สรุปแล้วมาหมดไหมเรื่องนั่นแหละ <laughs> อยากพ้นทุกข์โดยไม่ต้องรู้ทฤษฎีอยากไปทางรัดรัดลงเหวเลยตอนนั้นเนี่ยท่านพระาพารัฐปาละเนี่ยท่านบวชตอนอายุมากท่านก็ไปถามพระพุทธเจ้าว่าธุระในพุทธศาสนามีกี่อย่างพระุทธเจ้าก็บอกมีสองอย่างคือคันธะธุระ ทุระในการเรียนคำพีเรียนพระดวิดอกเรียนคาสอนทั้งหมดสองวิปัสนาทุระทุระในการที่ประพฤติปฏิบัติฝึกตนเองในการเจริญสมถาวิปน์ซน่งสมถาวิปน์นนะประพ้นทุก์ท่านก็บอกว่าท่านอายุมากแล้วท่านขอรับเอาวิปัสนาทุระพระพุทจาอกงั้นเธอก็ต้องอยู่ศึกษาห้าปีกันหลา <c oughs> <c oughs> นี่ขนาดสมัยขัฏจักรนะ นี่คณะวิปัสนาธุรานะศึกษา5ปีศึกษาหปีต้องทรงอะไรบ้างทรงปฏิโมก2สองทั้งพิกุ ป, ปฏิโมกภิกุณี ป, ปฏิโมกโอ้โหแล้วก็เรียนกรรมฐานทั้งหมด <c oughs> เรียนกรรมฐานทั้งหมดเนี่ยในกรรมฐาน40แล้วก็เรียนหลักของสติปัฏฐานสมปัฐานอิธิบาทอินทรพราพโภชฌรีระะรมาคใช้เวลาหปี อยู่พระเจ้าแล้วก็ออกไปพุทปฏิบัติก็ได้บรรลุก็ใจอย่าง น, นี่วิปัสสนาทุระไม่ต้องอยู่นานเพราะมันไม่ต้องไปไม่ต้องไปเรียนจนครึ่งค่อนชีวิตแต่ห้าปีนี่ฉลาดอย่างพระฉลาดอย่างท่านเอออะไรนะเมื่อกี้ว่าใครเนะี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ขออภัยไม่ใช่รัตตาปาแล้วชื่อท่านอะไรนะ ที่ท่านตาบอดจากคูปาลาเทระจากคูปาลาเทระนี่ตาบอดปฏิบัติตาบอดเนี่ยอยู่กับพระพุทธเจ้าห้าปีนี่แหละนี่แหละเรียนนี่แหละวิปัสนาธุระต้องการปฏิบัติแก่แล้วเราเราเข้าใจผิดหมดเลยใช่ไหมจริงไหมจริง นี่เห็นไหมเนี่ยนี่นี่แหะคือไม่ไม่ไม่เอาแล้วคันถาธุระมันหนักหนักเลวเกินแบกไม่ไหวพระเราพระเจ้าอยู่รับปีห้าปีห้าปีศึกษาห้าปีกับพระเจ้าแล้วก็ออกไปประพฤ้ปฏิบัติบรรลุเลยปีที่หกที่เจ็ดบรรลุเลยอืมบรรลุในพรรษาที่หกเนี่ยชัด เอาไหมถึกซานะพี่ก็ น, นี้เราก็เรียนอยู่นี่นี่ก็เรียนอ้าวเดี๋ยวกลับมาใหม่เมื่อกี้ถึงอะไรนะมารกเป็นกล่อมนะสรุปแล้วเข้าใจแล้วนะว่าอ๋อ กรรมเนี่ยที่พูดว่าเจตนาเป็นกรรมเนี่ยเป็นการพูดโดยอ้อมไม่ได้พูดโดยตรงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรรมที่จะสบับลิดผลได้ต้องอาศัยองค์ประกอบของสภาวธรรมมารวมกัน ท, านทํา ง, งานทํากิจทางนั้นกระบวนการความคิดชอบหรือไม่ชอบมันเกิดไม่ได้เฉพาะลำพังเจตนาอย่างอย่างเดียวไม่ได้แต่จเจตนาเป็นส่วนมีส่วนสําคัญไหมสําคัญเพราะเจตนาทําหน้าที่กระตุ้น ให้เวทนาทำงานยังไงภาษาทำงานยังไงสัญญาทำงานอย่างไรให้วิญญาณทำงานยังไงให้ความโลภความโกรธความหลงทำงานยังไงให้สมาธิสัมมาสังกปะสัมมาวจาสัมมากรรมันตศัมมาอาชีวศัมมาวายามะสมาสติสัมมาสมาธิทำงานอย่างไรเจตนาเป็นคนหน้าที่กระตุ้นให้ทำในเจตนาจึงมีส่วนสำคัญมากเช่นถ้ามีเจตนาจะเจริญศีลสมาธิปัญญาต้องมีเจียรจำนวนไหม ถ้าไม่มีเจตนาะก็ไม่ไปผลักดันให้ศีลทําหน้าที่เกิดยังไงสมาธิเกิดยังไงสมาธิปัญญาเกิดยังไงงนั้นเจตนาสําคัญมากต้องให้เจตนาไปตัวขับเน้นและไปกระตุ้นให้สมาธิทีทํางานทําหน้าที่ถ้าไม่มีเจตนาคอยกระตุ้นคอยปลูกคอยเร่าแล้วสมาธิทีจะทํำไหมไม่ทําหน้าที่สมาสังกปะจะทําหน้าที่ได้หรือไม่ได้ก็ต้องอาศัยเจตนาทำหน้าที่กระตุ้น ฉั้ต้องมีเจตจํานงต้องมีความจงใจต้องมีเจตคติต้องมีการคิดที่จะทําให้สัมมาทิฏฐิเกิดคิดที่จะทําให้สมาสังกปปะเกิดไม่ใช่อยู่ธรรมดาแล้วปล่อยมันเกิดเองไม่มี <c oughs> เริ่มเห็นนี่ยังมาจากเจตนาแท้ๆนี่แหละฉะนั้นจะเป็นพระอริยก็ต้องเพราะกรรมคือเจตนานี่แหละจะเป็นปุถุชนก็เพราะกรรมคือเจตนานี่แหละ เพราะนั้นเจตนาก็จะต้องเจาะจองลงไปว่าจะให้ตัวไหนทาหน้าที่ด้วยไม่ใช่ลอยๆฟันฟ่นเฟือนเลือนเละอไม่เอาถ้างั้นจะจ ะ, ะรรลุอะไร <c oughs> นั้นต้องมีเจตนาก็ไปกระตุ้นให้สัมมาทิฏฐิ ท, ทาหน้าที่ความเห็นถูกต้องให้ทำหน้าที่ต้องมีเจตจานงที่จะทำจะปกเรา้าจนถึงศีลเนี่ยสัมมาวาจาสัมมากรรมตัสัมม า, มม า, มมาชีวะต้องอาศัยเจตนาไหม ต้องอาศัยหรือไม่ต้องถ้าไม่มีเจตนาศียจะเกิดไหมต้องจงใจต้องตั้งใจที่จะให้กุศลศียนเกิดมันถึงจะทําหน้าที่ในการตัดรอนบาปอากุศสลกรรมันชั่วร้ายใช่ไหมเช่นเวระเจตนาอากุศนที่เป็นเหตุแห่งการพูดเท็จเวระเจตนาอากุศลตั้งใจจะพูดเท็จมันเกิดร่วมกับอคุศลใช่ไหมต้องการจะพูดเท็จพูดคําไม่จริงเนี่ย วีระเจตนาอากุศลที่เป็นเหตุแห่งการพูดเท็จจะต้องเอาตัวไหนมาตัดรอนมีถามแล้วนะถามเลยนะวีระเจตนาอากุศลที่เป็นเหตุแห่งการกล่าวเท็จพูดเท็จพูดไม่จริงเนี่ยต้องเอาตัวไหนมาตัดรอนถึงจะสามารถตัดรอนเจตนาชั่วร้ายนี้ได้ตัวไหนทําหน้าที่ตัดรอนตัวนี้เจตนา ที่ร่วมกับอกุศลที่เป็นเหตุในการกล่าวเท็จเนี่ยตัวไหนมีหน้าที่ตัดรอนเวรเจตนาชั่วร้ายที่เป็นเหตุการ์กล่าวเท็จตัวไหนเอาสติเม้งเอาสติก็เอาสติเอาฮิริโอตะปะหรือเอาฮิริโอตะปาในเอาสติใช่ไหมเอาเลือกเอาเอาเลือกหมดเลยหรือทั้งนั้นเอาเม่เอาตัวไหนดีเอาตัวไหนดี าสามารถตัดรอนเจตนาชั่วร้ายไม่ให้กล่าวเทศได้เอามาสักตัวหนึ่งตัวที่จะถูกเอาปัญญาเอา้านินเอาตัวไหนดีฮิริอตัตตะอายอมบีความวินถูกคือปัญญาเอา้ายอมพี่ยิงใหญ่ อันนี้โอตปะเอา้าเขาว่าไงอสติตัวที่ตัดตอนเวรเจตนาอากุศลเนี่ยตัดรอนได้จริงก็คือตัวสัมมาวาจาสัมมาวาจานี่แหละเวลานั่งแท่นอยู่ในใจแล้วก็จะมีหน้าที่ตัดรอนเวรเจตนาอากุศลที่ไปเห็นการกล่าวเท็จฮะก็สัมมาวาจาเจตสิกไงตัวสัมมาวาจารเลย สัมมาวจานี่แหละก็สัมมาวจานี่ก็ใช่สัมมาวจาสัมมาวจาเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ตัดรอนเวรเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุการ์ก่าวเท็จตัดรอนเวรเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุแหงการก่าวส่อเสียดตัดรอนเวรเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุแหงการก่าวคําหยาบตัดรอนเวรเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุการก่าวเพือเจือเขามีหน้าที่ตัดจริงๆ ตัวเนี้ยนั้นทีนี้สัมมาวาจาเนี่ยที่เขาสามารถทําหน้าที่ได้เนี่ยใครเป็นตัวกระตุ้นเขาให้ทําหน้าที่ตัวไหนกระตุ้นเขาเจตนาในไหนเจตนาในกุศลใช่ไหมเจตนาใน ในกุศลแหละบอกเขาให้ไปทําหน้าที่คอยตัดร้อนไม่ใช่ตัวเจดนาไปตัดร้อนนะแต่ไอ้สมมาวาจาเป็นตัวไปตัดร้อนบาปนี่เป็นอย่างนี้เพราะความจงใจเพราะความตั้งใจที่เป็นกุศลนี่แหละทําให้สมาวาจาไปทําหน้าที่จริงๆตรงนี้ไม่ใช่เรื่องท่องนะไมนเรื่องความเข้าใจ ไม่ใช่เรื่องท่องเลยไปท่องตรงไหนก็ไม่มีทีนี้เวระเจตนาอากุศลที่เป็นเหตุแห่งการฆ่าสัตว์เห็นไหมเวระเจตนาอกุศลนีที่เป็นเหตุแห่งการฆ่าสัตวาานะต์ตัวไหนมาตัดรอนเนี่ยสัมมารกรมมันตะที่เป็นตัวมักนั่นแหละ ก็มาตัดรอนเวรเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุการฆ่าเวรเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุการลักเวรเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุการประพฤติผิดในการมไอ้ตัวสัมมากัมมันตะซึ่งเป็นตัวหนึ่งในองค์มรรคก็มาทําที่ตัดร่อนมานั่งแท่นั่งก็ตัดรอนบาปอกุศลกรรมไม่ให้ร่วงละเมิดออกมาเริ่มมองเห็นอี่ยังวิธีการเจริญนะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยวิธีการเจริญเป็นแบบนี้ จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเขาเกิดพร้อมกันแต่เขาทำหน้าที่ในการกระตุ้นเตือนชักนําให้กลุ่มสัมมาวจาสัมมาก ร, รมตาเป็นต้นเหล่านี้ทำหน้าที่ในการที่คอยตัดรอนบาปอกุศลทางกายกรรมทางวจีกรรมนี่เป็นอย่างนี้แม้สัมมาอาชีวะเนี่ยเห็นไหม ก็ไปตัดรอนเวรเจตนาอากุิผลเป็นเหตุที่เป็นเหตุแห่งการเลี้ยงชีพผิดใ น, นเจตนาเนี่ยเจตนาอากุิผลที่เป็นเหตุแห่งการเลี้ยงชีพผิดก็จะถูกสำ ม, มาอาชีวะนี่เป็นตัวไปตัดรอนบาปอคติหลกรรมที่เกี่ยวกับการเลี้ยงชีพที่ผิดนั้นวิธีจเจริญศีลเห็นไหมเนี่ยเราจะเห็นชัดโอ้โหเจตนาเนี่ยสำคัญตั้งใจ ตั้งใจบ่อยๆตั้งใจบ่อยๆกุศลศีลก็จะเกิดแล้วเวลาบาปจะเกิดขึ้นมาปุ๊บมันจะมีพลังในการตัดร้อนอย่างแรงตัดเร็วมากปุ๊บปุ๊ ป, บป๊บตลอดคอยทําหน้าที่คอยตัดรอนตลอดนั่งอยู่ในใจเสมอเหมือนหนึ่งว่าถ้าฉันนั่งอยู่ในใจแล้วเนี่ยเชิญมาเลยทุจริตทางกายทางวาจาและชีวตทั้งหลายฉันจะตัดร้อนให้หมดเกลี้ยงเลยยัะมีพลังในการตัดรอนศีลมันต้งเกิดได้จริง องมรักมันตึงเกิดได้จริงการเจริญสัมมาวจาสัมมากรรมันตาสัมมาชีวะมันต้งเกิดได้จริงใช่ไหมฮะแต่เงน้นเกิดไม่จริงนี่เป็นอย่างนี้แหละเริ่น ม, มองเห็นวิธีการเจริญหรือ ย, ยังตอเนี้ยมันจะเริ่มค่อยๆเข้าใจว่าจะทํามรักให้เกิดขึ้นอย่างไรจะทําสัมมาวจาสัมมากรรมันตาสัมมาชีวะให้เกิดขึ้นอย่างไร แต่ตงนี้สำคัญมากนะในหลังการในการเจริญเนี่ยเนี่นี่พูดเรื่องกรรมนี่มรรคกรรมเกิดไหมแบบนี้เนี่ยเป็นไปเพื่อการตัดรอนบาปเป้าหมายคือการพ้นทุกข์ชัดเลยเนี่ยตั้งเนี่ยนะเราจะละบาปทางกายกรรมทางวาจีกรรมทางอาชีพเนี่ยทำให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดให้ได้นี่ตอนนี้สัมมาทิฏฐิมาและความเห็นถูกต้องก็มาเจตนาก็มาโอ้โหมากันใหญ่ การแบบฟื้นปฏิบัติการขัดเกลาเกิดขึ้นอย่างแท้จริงเลยเดีนี้เนี่ยการดำเนินชีวิตที่เป็นไปตามมัชฌิมาปฏิบัติานี่เห็ความคิดที่เป็นกลางและข้อปฏิบัติที่เป็นกลางมันจะเกิดขึ้นจากความคิดที่เป็นกลางแบบนี้แต่ความคิดไม่เป็นกลางเกิดขึ้นอย่างนี้ข้อปฏิบัติที่เป็นกลางมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ใช่ไหมนี่มันเข้าใจแล้วเนี่ยครัว่าวิธีการเป็นแบบนี้นะ คนบางคนจะอ่อนแอมากเพราะไม่เข้าใจกระบวนการในการที่จะละบาป พ, พอเจอบาปเข้าทีอไรก็แพ้เปนทุกทีแพ้เปนทุกทีเลยจริงไม่จริ ง, รงแต่พอตั้งเจตนาเจตจํานงนี้ปุ๊บธรเมองตั้งนี้ปุ๊บมันจะละได้นายตั้งนี้ปุ๊บจะละได้เพราะเจตนาเนี่ยมีพลังตั้งเจตจํานงตั้งเจตนาที่เป็นกุศลให้ให้สัมมาวจารสัมมารกรรมตะสัมมาชีวะคอยนั่งแท่นอยู่ในใจตลอด เวลาเวรเจตนากุศลที่ไปเห็นการพูดเทศส่อเยษคําหยาเพื่อเจือมาปุ๊บมันตัดรอนตัดรอนตัดรอนตัดรอนเวลาเจตนากุศลที่ไปเห็นการฆ่าสัตว์รักษาประพฤติผิดในการมจะเกิดขึ้นปุ๊บตัดรอนสัมมากัมมตาก็ตัดรอนตัดรอนเหตุที่สัมมากัมมตาไปตัดรอนได้เพราะเจตนากระตุ้นให้ทําหน้าทีเจตนาที่เป็นกุศลเวลาอาจจะประพฤติเวลาเจตนากุศลที่ไปเห็นการเลี้ยงชีพผิดจะเกิดขึ้นมาปุ๊บ สัมมากรรมสัมมาชีวะซึ่งถูกเจตนากระตุน้นที่เป็นกุศลกระตุ้นเตือนให้ตัดร้อนตลอดตัดร้อนตลอดแล้วต่อไปจะเป็นคนที่มีกุศลศีลที่มีพลังมากสัมมาวาจาสัมมากรรมตา่าสัมมาชีวะอุ้ยทำงานได้เต็มที่เลยเห็นนี่ยังแล้วเห็นช่องทางการปฏิบัติที่ยังใครไม่เข้าใจตรงนี้เห็นไหมไม่เข้าใจหรือ ตั้งใจบ่อยๆสมาทานบ่อยๆตั้งใจบ่อยๆว่าจดละบาปทางวาจาทางละทุจริตทางกายทางวาจาและอาชีพที่ทุจริตให้ได้ตั้งใจการที่ตั้งใจนี่แหละพอถึงวาละที่เจตนาชั่วร้ายเกิดขึ้นมาที่จะกล่าวเท็จปุ๊บเจตนาที่มีพลังที่ตั้งไว้บ่อยๆบๆจะไปกระตุ้นเตือนสมาวจาให้ทําหน้าที่ตัดรอนบาปทันที จะตัดได้เร็วมากเพราะมาจากความจงใจและตั้งใจนี่ไงการเจริญสัมมาวาจาเป็นต้นเหล่านี้เขาเจริญแบบนี้ในชีวิตจริงๆเจริญแบบนี้แล้วก็เจริญได้อย่างติดต่อต่อเนื่องแล้วเราเกี่ยวข้องกับสัตว์และสังขารทั้งหลายเหล่าเนี้ยใช่ไหมสัมมาวาจาเกิดสัมมากามตาเกิดสัมมาชีวะเจเกิดได้จริงผักดันในพฤติกรรมทางกายทางวาจาทั้งหลายเนี่ยขับเคลื่อนกระแสความคิดก็เป็นไปได้ดําเนินไป ต, ตามมารคาของพระคินาเจ้าได้จริง เนี่ยกำลังจะหนึ่งกระบวนการความคิดที่เป็นมชมาปฏิบัตินี่แหละข้อปฏิบัติก็จะเป็นมัชมาปฏิบัติสายกลางก็จะเกิดขึ้นทางด้านความคิดและการปฏิบัติก็ดําเนินไปแล้วเห็นไหมยังการปฏิบัติเป็นแบบนี้แล้วไปปฏิบัติตรงไหนตอนนี้ปฏิบัติที่ตรงไหนก็เดี๋ยวนี้ขณะ น, นี้ใช่ไหมล่ย กปฏิบัติเดียวนี้ขณะนีะ้การปฏิบัติมันเดินอย่างนี้จริงๆนี่เป็นอย่างนี้สัมมาวาจาคือการไม่พูดใช่ไหมสัมมากัมมันตากคือการไม่เดินไม่ยืนไม่นั่งไม่นอนใช่ไหมสัมมาชีวาก็คือการไม่ไปหาอาหารกินใช่ไหมไม่ใช่นะอย่าไปเข้าใจผิดงดพูดงดปิดหูซ้ายขวาปิดตาเสียบ้างปิดปากเสียบ้างจะได้นั่งสบายก็ได้ยินคานี้ สัมมาวจ a a สัมมากรรมต่าสัมมาชีวะเป็นศีลหรือเปล่าเป็นศีลหรือเปล่าเป็นศีลสัมมาวจ a a สัมมากรรมต่าสัมมาชีวะเป็นหนึ่งในองค์มากไหมสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี้เป็นเป็นกลุ่มไหนนี่สมาธิสิกขาไหมศีละสิกขามีสามองค์สมาธิสิกขาก็มีสามองค์ สี่ริกขากับสัมมาวาจาสมากรรมตาสมาชีวะนี่เป็นศีลสัมมาวายมะเพียนชอบสมาสติระลึกชอบสมาสมาธิตั้งมั่นชอบเป็นสมาธิสมาธิฏิกับสมาสังกัปปะเป็นปัญญาสรุปก็คือศีลสมาธิปัญญาเจ้าเห็นได้ยังทีนี้เวลากระบวนการความคิดที่จะให้เป็นกลางเนี่ย ที่จะให้เป็นกลางเนี่ยต้องให้ตัวไหนหนำความคิด <phen om> ที่จะเป็นกลางเนี่ยต้องให้ตัวไหนหนำแล้วตัวไหนตัวไหนถึงจะมาเป็นเครื่องวัดได้ว่าโอ้เนี่ยเป็นกลางได้แล้วต้องให้ตัวไหนเกิดต้องให้สัมมาทิฏี่เกิดใช่ไหมฮะต้องให้สัมมาทิฏี่เกิด ทีนี้สมมาทิทิเนี่ยสมมาทิทฐิที่จะเป็นกลางในขั้นพื้นฐานเบื้องต้นเนี่ยต้องเป็นสมมาทิทิระดับไหนที่เรียกเป็นกลางทางด้านความคิดเนี่ยต้องเป็นสมมาทิทิระดับไหนเป็นโลกียะสมมาทิทิหรือเป็นโลกุตระสมมาทิทฐิก่อน ก็ที่เป็นกลางนี่แหละเริ่มต้นที่เป็นกลางนี่แหละโลกีสัมมาธิฏฐิใช่ไหมได้บรรดาโลกียัสมาทิฏฐิเนี่ยจับเอาประเด็นตัวไหนก่อนกรรมมาสกตาสมาธิฐิเห็นไหมทีนี้ที่เรียกว่ากรรมมาสกตาสมาธิฏฐินั้นนะที่เรียกว่ากรรมมาสกตาสมาธิฐินั้นเนี่ยเป็นกรรมมาสกตาสมาธิฐิเนี่ยในระดับกรรมเนี่ย ในขณะที่เป็นกรรมรสักตาสมาธิตอนนั้นจัดว่าเป็นกลางหรือยังเมื่อกรรมรสักตาสมาธิิเกิดขึ้นตอนนั้นแปลว่ากระบวนการความคิดนั้นเป็นกลางหรือยังความคิดเป็นแล้วกรรมดําให้วิบากดําเนี่ยสมาธิต้องเข้าใจไหมกรรมขาวให้วิบากขาวกรรมทั้งดําและขาวให้วิบากทั้งดํำและขาวคละเข้ากันไปกรรมที่ไม่ดําไม่ขาวมีวิบากที่ไม่ดําไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม สัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกิยะสมาทิฏิเป็นกรรมสกตาสมาทิฏฐิต้องไปเข้าใจเรื่องนี้ชัดไหมต้องชัดด้วยจึงจะจัดว่าเป็นความกระบวนการความคิดที่เป็นกลางเห็นไหมว่าสมาทิฏฐิเบื้องต้นเนี่ยต้องเป็นสมาทิฏฐิที่ไปเข้าใจหรือไปรอบรู้ในเรื่องกรรมคือว่ากรรมประเภทไหนนำไปสู่เป็นเกิดอะไรในต้องชัดหอทากรรมแบบนี้ไปเกิดเป็นแบบนี้ กระบวนชีวิตเป็นอย่างนี้ดําเนินชีวิตแบบนี้กระบวนการเจ็ดจำนวนไปอย่างเนี้จะได้อะไรตามมาเห็นไหมถ้าดําเนินกรรมดําเป็นแบบนี้แบบนี้ตามมากรรมขาวเป็นแบบนี้กรรมทั้งดําและขาวเป็นแบบนี้กรรมที่ไม่ดําไม่ขาวจะดําเนินชีวิตเป็นอย่างนี้จะมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องของกรรมแบบนี้ <laughing noise> นี่เขาเรียกว่ากรรมที่เขาเรียกว่ากรรมสกตาสมาธิที่เริ่มเป็นกลางแล้วประการต่อไป สัจจานุโลมิกยานนะสัจจานุโรมิกยานอันนี้ก็เป็นเป็นโลกียะสมาธิฐิหรือเป็นโลกุตระสมาธิฐิสัจจานุโรมิกยานเนี่ยเป็นโลกียะสมาธิฐิคําว่าโลกียะสมาธิทิฐิเรียกสัจจานุโรมิกยานเนี่ย เป็นยานปัญญาที่อนุโลมตามคอยตามสัจจะสี่อนุโลมตามคอยตามเพื่อจะไปแทงตลอดเพื่อจะเข้าใจเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับทุกข์และเรื่องข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์อันนี้เริ่มชัดแล้วอนุโลมิกฉาเนี่ยสัจญานุโลมมิกฉาเ น, า น, มม ย, านยานที่อนุโลมยานหรือปัญญานี่แหละที่อนุโลมตามคอยตามสัจจะสี่ Hmm. นี่เป็นโลเกีย ที่จริงสัจจานุรมิกายานเนี่ยท่านนับท่านนับตั้งแต่วิปัสนาญาณเกิดขึ้นเป็นไปตามลําดับเลยเนะก็คือญาณที่สอดคล้องทุกสัจจะสมุทยัยเนี่ยงั้นสัจจานุโรมิกายานเนี่ยต้องเข้าใจด้วยว่าญาณปัญญาตัวนี้ที่ไปอนุโลมอนุโลมตามคือเข้าใจชัดเจนในเรื่องของสัจจะสีเข้าใจว่าทุกควรกําหนดรู้สมุทัยควร ล, ละ นิโรธควรทําให้แจ้งมักควรอบรมความจเจริญให้เกิดให้มีขึ้นคือยา น, นี้ก็จะสอดคล้องแล้วก็จะดําเนินเนี่ยความคิดตรงนี้เป็นความคิดที่ค่อนข้างชัดและความคิดที่สอดคล้องแล้วก็เดินมักได้เป็นแล้วดําเนินมักเป็นไม่ใช่ไปกระโดดไปหาสมุทัยอยู่เรื่อยไม่ใช่แล้วอันนี้ก็กระโดดก็มาในข้อมักได้ค่อนข้างชัดดําเนินกระแสชีวิตนี่สอดคล้องอนบรมแล้ว คอยตามเลยคลอยตามสัจจะแล้วมีจุดหมายชัดไม่ย้อนกลับอ่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังมีมีม มีคนคนหนึ่งเป็นเป็นโจรมีโจรอยู่กลุ่มหนึ่งห้าร้อยคนในสมัยกัมธูกาโจรกลุ่มนี้เขาเรียกโจรห้าร้อยมีพวกห้าร้อยคนออกปล้นออกปล้นสะดมประชาชนจนเรื่องดังมกานกนะครับนะครับพระราชาก็ส่งกองกำลังทาหารเข้าไป แล้วในสุดจริงสามารถจับเป็นได้หมดเลยจนตอนนี้ห้าร้อยพอจับได้ทั้งหมดแล้วแต่นี้ก็เลยมาบอกว่าจะต้องโทษประหารทั้งหมดทีนี้เขาก็เลยมีพระราชาก็เลยมีคําสั่งลงไปว่าถ้าใครสามารถใช้มีดดาบตัดคอเพื่อนได้ทั้งสี่รอยเก้าสิบเก้าคนจะยกเว้นคนนั้นแล้วจะให้คนนั้นเนี่ยทํางานราชการโดยการเป็นเพชฌฆาต ให้กับพระราชาทุกคนไม่มีมีอีกคนนึงยกมือขึ้นอีกคนนึงเป็นคนที่กลักข่ามากหยาบคายมากยกมือขึ้นว่าข้าพเจ้าทำเองเขาก็เลยเอาดาบเนี่ยให้คนนี้ถือไอเจ้านี้จรนพวกนั้นถูกมัดไว้อยู่ไอเจ้านี้ก็ไปแล้วก็ตัดคอเพื่อนเนี่ย ขาดปุ๊บขาดไปเรื่อยๆลองคิดดูเพื่อนด่าบ้างอะไรบ้างไม่สนไม่สนตัดคอเพื่อนชุบชุบชุบไปเรื่อยๆ499คนคอหลุดจากบ่าปหมดเลยทางการก็เลยตั้งให้เจ้าเนี้ยเป็นเพชฌฆ า, าดในเมืองนั้นมีเขาเลยมีชื่อว่าในโจนเข่าแดงจะมีหนวดเขาแดง ตาโหดลายมื่แล้วต่อมาก็ทํางานเป็นเพชฌฆาตทั้งชีวิตเลยน้เม้งนี่อันนี้เป็นคติให้เม้งได้คิดมากเลยจนทํางานไปทํางานไปในส่วนจริงแก่แล้วแก่แล้วแรงหมดเวลาจับพวกโจรประหารมาเนี่ยโทษประหารมาตัวเองเป็นเพชฌฆาตอายุ ก, ก่อนต้องใช้มีดดาบเงื้อดาบฟันเนี่ยฟันไม่ขาด แรงมันหมดก็แก่จัดฟันฟันโอ้โหไม่รู้กี่ครั้งกว่าคอยอคนนี่นจะขาดดะบางทีต้องเอามีดมาถูไปถูมาโจนทรมานมากกว่าจะตายเนี่ยเขาก็เลยโอ้ไม่ไหวแล้วไอ้นี่เขาสังการเลยสั่งปดสั่งปดทำมาทั้งชีวิตนะโอ้โหในชีวิตเนี่ยต้องฆ่าคนทุกวันจนในคุกเลห ม, หมต้องประหาร ตัดสินมาก็ต้องมาทํามาที่ข้าครับตัวเปือเ้อนแตเลือดทุกวันเลยเปื้อนเลือดทุกวันเลยกลับมาโอ้เรากลับมาก็กลับมาที่บ้านแต่งตัวใหม่อะไรใหม่ภรรยาเอาเสื้อผ้าให้เลยอาบน้ำทำลาคีถึงโอ้โหเราเนี่ยทํางานมาเกล็ดกังก็งเลือดมาตลอดเลยเนี่ยหวังไงเจอวันนี้เราจะนอนให้สบายกินข้าวให้สบาย กินให้อิ่มแล้วหมดภาระแล้วเข้าใจใช่ไหมหมดแล้วไม่ต้องไปฆ่าคนไม่ต้องไปบาปกรรมอนะไรล้ได้อาหารมาทําท่าจะกินมีพระมายืนหน้าบ้านภาษาลิบุตมายืนคอ ย, อยมายืนคอยท่ามานั่งนึกโอ้โหชีวิตเราเนี่ยไม่เคยให้ทานเลยไม่เคยทําบุญเลยโอ้โหวันนี้พระมาโปรด หิวไหมหิวมากหิวมากเข้าไปก็บรรจงใส่ภาษาลิบุตรจะรับครึ่งเดียวถ้าบอกอนุเคราะห์ข้าพเจ้าด้วยเถอะให้รับทั้งหมดเสร็จแล้วก็ภาษาลิบุตรสนทนาแล้วก็เดินเดินไปส่งพระพระท่านก็อธิบายเรื่องอริยสัจให้ฟังที่จริงเนี่ย ที่จริงเนี่ยจะโจรเข่าแดงเนี่ยใจไม่น้อมฟังทําไม่ได้เพราะตัเองบาปมาตลอดใช่ไหมในํานองว่าข้าพเจ้าบาปหนามากไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมะอะไรได้หรอกภาษาลิบุตถามนันดีว่าที่ท่านไปฆ่าเนี่ยท่านฆ่าเองเจตนาฆ่าเองหรือมีคนสั่งให้ฆ่า บอกว่าไม่ได้มีเจตนาฆ่าเลยทําตามคําสั่งภาษาลิบว์ถามต่ออีกครั้บอกว่างั้นบาปตกถึงคนที่ไม่ได้มีเจตนาฆ่าด้วยหรือถามแค่นี้นะท่านไปเข้าใจว่าเฮ้ยเราไม่บาปนี่หว่ามองออกไหมเฮ้ยเราไม่ได้มีเจตนาใจสดชื่นขึ้นไหมโอ้โหปวดเพื้องได้แล้วท่านก็ตั้งใจฟังเดินไปเรื่อย ภาษาทีบอธิบายอธิบายท่านเดินกําลังศีลสมาธิเดินวิปัสสนาญาณได้สัจจานุโลมมิจฉาญาณทันทีได้สัจจานุโลมมิจาญาณนะญาณที่สอดคล้องคล้อยตามอริยสัจเนี่ยส่งเสร็จแล้วท่านเดินกลับวัวขุดท่านตายทันทีเลยนะไปไหนไปสุขติเรียบร้อยเพราะท่านได้อนุโลมิจาญาณไงสัจจานุโลมมิจาญาณไงเรียบร้อย เห็นไหมเนี่ยไปสุคติได้นี่เป็นได้สัจจานุโลมิกายานเห็นไหมเนี่ยที่เห็นว่าเราทําบาปเท่าได้จนข้าแดงไหม ฉะนั้นตรงนี้เป็นเนี่ย ต, ตรงนี้ตรงนี้ต้องชี้ชี้แจงเห็นว่าจริงๆเรามีโอกาสได้ที่จะพูดให้ฟังเรามีโอกาสอย่างนี้ขั้นยังได้เลย นี่ที่เราไม่ได้ทำกรรมขนาดนี้เม่งเริ่ ม, เ ร, มเริ่มเห็นแสงสว่างในปลายอุโมงค์หรือยังไม่ไปเลยไม่ไปเลยเ น, นี่เมื่อกี้ดียกตัว อ, อย่างถามไงว่าสัจจานุโลมิขยาเนยัเกิดได้ดยการฟังคำสอนแล้วเข้าใจแล้วส่งยานตามไปแล้วก็เข้าใจแล้วยก พิพัฒนายานเกิดขึ้นมาเป็นสัจจ า, านุโลมมิจยานยานที่สอดคล้องพร้อยตามอริยสัจ ท, ทันทีเนี่ยเป็นงี้เริ่มเชื่อใจไหมฟังเรื่องนี้ท่านปลอดภัยแล้วไม่ต้องห่วงท่านแล้วห่วงตัวเอง ไปได้ทำไมไม่ได้ก็นี่ไงเนี่ยในจนเขาแดงนี่ไงท่านไปให้ดูแล้วท่านไม่ไปอบา ย, ยางไงท่านไปสุคติแล้วตอนนี้ท่านเรียบร้อยไปแล้วไม่ต้องห่วงแล้วก็ท่านมีกําลังของสัจจานุโลมิขยานกระตุน้นเตือนขนาดนั้นเมื่อไปเป็นเทวดานะ่ยท่านย้อนกลับมาฟังธรรมะเรียบร้อยแล้วแต่ในตําราไม่ได้กล่าวต่อเท่านั้นเองไม่ต้องห่วงท่านแล้วห่วงตัวเรานี่แหละ เนี่ยจะพูดในเพลงบางกะไรชื่นใจว่าเอ้ยเรามีโอกาสไม่ใช่ไม่มีเพราะเราไม่เคยทำบาปแรงขนาดนี้โอ้โหฆ่าคนมาทั้งชีวิตนะเนี่ยที่หนักกว่า น, นั้นก็คือฆ่าเพื่อนกันดแท้เนี่ยห้าร้อยคนเนี่ยเคยร่วมรบร่วมฆ่าด้วยกันเองฆ่าเพื่อนหน้าตาเฉยเลยเพื่อนด่าขนาดไหนยังไม่ยอมหยุดเลยโหโหดมาก โ, โหดมาก แก่แล้วเนี่ยแก่แล้วยังฟังทำนะ ย, ยังได้สัจจานุโลมิกยานเนีนี่เป็นโลกียะสมาธิที่ไหมยังไม่ทะลุโลกุตระสมาธิที่เลยแต่ว่าชัดเจนในอริยสัจเรียบร้อยหมดเลยมีความชัดเจนมากฟังไปในอัธยาศัยเรียบร้อยแล้วมีโอกาส นี่พูดให้เกิดกำลังใจเอาเรื่องจริงมาบอกเพราะงี้เมื่อกี้พูดเองว่ายกตัวอย่างก็เลยยกให้เห็นจะได้มีพลังเงเริ่มเห็นแสงสว่างภายอุมโมงค์ยังเริ่ม้โอ้ อ๋อเวระเจตนนาคือจริงๆตรงนี้ท่านต้องการชี้เห็นพลังของเจตจำนงหรือความจงใจตั้งใจเนะี่ยมีพลังมากอยากให้เรานั้นตั้งใจตรงนี้กันบ่อยๆและมากๆเพราะว่าเวระเจตนนาอากุศลที่เป็นเหตุแห่งการพูดเท็จเวระเจตนนาอากุศลที่เป็นเหตุแห่งการพูดส่อเสียดเป็นต้นเนี่ย <c oughs> มันตั้งกันมานานมากในกระแสชีวิตของคนคนหนึ่งของสัตว์คนตนหนึ่ง มันตั้งมาจนเป็นอัธยาศัยจนกลายเป็นการพูดเทศส่อเสียดคําหยาเพื่อเจอเนี่ยกลายเป็นเนื้อเป็นตัวไปแล้วแล้วเราจนไม่รู้ตัวเราตั้งเจตนาครั้งแรกแต่เมื่อไหร่หลังๆแต่เมื่อไหร่จนกลายเป็นความชํชนานิชํานาญกลายเป็นคนมองว่าเอาตัวรอดจากการพูดเทศส่อเสียดคําหยาเพื่อเจอไปจนเรียบร้อยไปแล้วเ้นมาวันนี้เนี่ยเรามารู้แล้วว่า เจตนาเนี่ยเป็นกรรมเนีเป็นทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมและแม้แต่มรรคคเจตนาทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นมรรคกรรมด้วยองค์มรรคทั้งแปดเนี่ยจะประชมกันได้ก็นี่ก็คือกรรมนี่แหละนีมาจากเ จ, จ, จีตจำนวนมามาจากความจงใจมาจากความตั้งใจนี่แหละและที่มนุษย์หรือสัตว์โลกทั้งหลายจเจริญอริยมรรคไม่ได้เพราะไม่ได้ตั้งเจตนาไว แล้วก็ปัญญาไม่ถึงไม่เข้าใจนี่แหละว่างั้นเถอะงั้นมาวันนี้เราเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าเจตนาเนี่ยสาคัญมากรู้ด้วยตัวเจตนาทําหน้าที่อะไรกระตุนต้นเตือนและชักนําสำมะยุทธธรรมใช่ไหมไปชักนําไปกระตุน้นเตือนให้ผัรษะทําหน้าที่เวทนาทําหน้าที่สัญญาทําหน้าที่ไปกระตุน้นเตือนให้วิตกวิจารอทิโมกวิริยาปิติฉันทะกระตุนต้นเตือนบาปให้ทําหน้าที่บุญให้ทําหน้าที่ เพียงแต่ว่าเราใช้เจตนาไม่เป็นเราใช้เจตนาไม่เป็นเราก็เลยให้เจตนาเนี่ยไปเกิดร่วมกับอกุศลด้วยความไม่รู้นี่แหละก็เลยไปใช้เจตนาเนี่ยเขาเป็นเจตนาก็เป็นพวกกลุ่มอัญเชมานะใช่ไหมกลุ่มอัญเชษมานะหรือกลุ่มพวก <c oughs> สัพพจิตตาคําว่าสัพพจิตตาสาธารณะเนี่ยก็แ <c oughs> ปลว่า เขาเป็นกลุ่มสภาวธรรมที่เกิดได้ทั่วไปเกิดฝ่ายบุญก็ได้ฝ่ายบาปก็ได้ไปร่วมกันกับบุญก็โอ้โหกระตุ้นบุญให้ทำกุศลอย่า ง, งยิ่งใหญ่แต่ถ้าเขาไปเกิดร่วมกับฝ่ายบาปโอ้โหเขาก็เป็นตัวนำเลยว่างั้นเถอะในการชักนำกระตุ้นเตือนให้บาปนั้นนะ่สมฤทธผลทากิจกรรมให้บาป ย, ยิ่งใหญ่เลยเอาแล้วเรารู้แล้ว เจตนาเนี่ยเป็นกรรมเป็นประธานของกลุ่มสภาวธรรมทั้งหลายที่กลุ่มนามธรรมทั้งหลายเป็นตัวนําที่สําคัญที่สุดเราจะเป็นอะไรก็มาจากเอกเจตจํานงจงใจตั้งใจนี่แหละที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยกระบวนการที่เราเคยเป็นมาทั้งหมดจะเป็นชาวนาจะเป็นชาวสวนจะเป็นชาวไร่จะเป็นชาวเป็นทหารเป็นตํารวจ หรือจะทำกิจกรรมใดๆที่เราเป็นกันอยู่ก็ไม่ตัวนี้ใช่ไหมเริ่มเข้าใจแล้วนะแม้จะเป็นคนขี้โกรธเป็นคนมีเมตตาจะเป็นอายะเป็นบุรุษชนก็ไม่เจตนาตัวนี้เหมือนที่เราคิดว่าโอ๊ยฉันทำไม่ได้ยากที่คิดว่ายากเนี่ยมาจากอะไรเจตนาเรามีเจตคติเจตจำนงว่ามันยากยังไม่เน้น เพราะเราไปเห็นว่ามันยากพอไปเข้าใจว่ายากปุ๊บเจตนาตัวนี้ตัดลอนทันทีเลยทำให้เราไม่ไม่กล้าเจริญกุศลริงไม่ยอมพี่ยิ่งใหญ่เจตนาสำคัญไหมฉะนั้นก็ตั้งเจตนาใหม่ที่ตัเนี้ก็ตั้งเจตนาใหม่ในการที่จะเจริญกุศลฉะนั้นจะบอกว่าศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีเนี่ย กลมสมากลุมกลุมสัมมาวิชาสมากรรมตาสัมมาอาชิวะมาจากกุศลเจตนาต้องตั้งใจที่จะทําให้เกิดสัมมาวายมะสัมมาสติสมาสมาธิก็มาจากเจตนาเจตจํานงตั้งใจที่จะเพียรนะตั้งใจที่จะให้ความเพียรทําหน้าที่ตั้งใจที่จะให้สติทําหน้าที่ตั้งใจที่จะให้สมาธิทําหน้าที่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะก็มาจากเจตนาเจตจํานงที่กระตุ้นเตือนให้สัมมาทิฏฐิทำหน้าที่สัมมาสังกปะทําที่ ใช้เจตนาให้เป็นแล้วจะบรรลุผลจะระสมความสำเร็จรนี่เขาใหญ่ยั ง, งพวกนี้มีเจตนาจะไปบินรบาดไหมมีหรือเปล่ามีไม่มีอ่าตั้งเจตนาไว้ว่าจะไปบินรบาตใช่ไหะได้ตั้งใจไว้ไหมเออเนี่ยตั้งใจเนี่ยเจตนาโอ้พราจะไม่ไปขึ้นมาเออไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เราตั้งใจไปแล้วต้องทํา นนนเนี่ยในตรงเนี้ยนะขอตั้งใจอย่างอเจตเจตนาเนี่ยสาคัญเจตนาการอธิฐานต่างกันยังไงคืออย่างนี้ คว่าอธิษฐานเนี่ยระบุเจาะจงลงไปว่าเขาเรียกว่าเป็นความตั้งใจมั่นใช่ไหมบางทีเจตนาบางอย่างเนี่ยเป็นเจตนาที่เราไม่ได้แข็งแรงพอไม่แข็งแรงขึ้นมาเนี่ยไม่สามารถมีพลังพอเท่ากับอธิษฐานถ้าอธิษฐานเนี่ยมันแปลว่าตั้งใจมั่นเลยว่า อย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าไม่ได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณจะไม่ถอนความตั้งใจถึงแม้จะเจอปัญหาอุปสรรคแค่ใดก็แล้วแต่จะฝ่าฟันไปถึงจุดหมายนั้นให้ได้นี่อธิษฐานมันแข็งแรงขนาดนั้นเช่นเนื้อและเลือด จะเหือดแห้งหายไปจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามที่ <c oughs> ไอ้ตั้งใจลักษณะเนี้ยทาไมได้ <c oughs> อธิษฐานเราได้ตั้งเจตอธิษฐานไหมว่า ฉันจะต้องบรรลุเป็นพระอริยะให้ได้ถ้าไม่บรรลุเป็นพระอริยะจกไม่ถอนความตั้งใจอย่างเด็ดขาดเ ค, เคยมั่นคงขนาดนั้นพอตั้งใจเสร็จแล้วใช่ใช่ ใช่เจตนาตั้งใจว่าฉันจะต้องฆ่าคนนี้ให้ได้ไม่เรียกอธิษฐานฉันจะต้องฉันจะเกลียดคนนี้ไปตลอดลมหายใจอันนี้ไม่เรียกอธิษฐานก็เรียกอาฆาตเนี่ยอาฆาตแต่เจิดมาจากเจตนาที่อาฆาตแล้วใครเคยใครเคยตั้งเจตนาแบบนี้ไหมฉันจะโกรธคนนี้ฉันจะตามล้างตามอาฆาต คนคนนี้ทุกอัตภาพเคยไหมไม่เคยเลย <c oughs> เคยอยากจะทำมั้งไหมเอาหันไปที่ทันเมง้งเอาไหมกล้าไหน้นายจะตามอาฆาตทันเม้งทุกภาคทุกชาติกล้าไหม <c oughs> <c oughs> โ, อโอ้ยยุ่งเลยเห็นไห้ว่าเจตนาสำคัญนะนะ่ สำคัญมากตั้งเจตนาส่วนในรายละเอียดวิธีการทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยเมื่อเมื่อที่จริงจะพูดเรื่องมชิมาปฏิปทาก็เลยไปได้แค่นี้เองอ ม, มาต่อไปไอ้กลางสายกลางสายกลางนี่ไปถึงไหนแล้วเนี่ยต่อไหม แต่คำว่าพอดีเนี่ยคำว่าสายกลางเนี่ยนั้นพุทธศาสนาที่บอกว่าสายกลางทั้งในด้านการปฏิบัติและทั้งด้านความคิดมีทั้งมัชฌิมาปฏิปทาและก็มัชเชนธรรมเทศนาใช่ไหมสายกลางทางด้านความคิดเราเริ่มชัดขึ้นสายกลางทางด้านการปฏิบัติก็ชัดขึ้นมัชฌิมาปฏิปทาก็ชัดมัชเชนธรรมเทศนาก็เริ่มชัดอีกอย่างหนึ่งสายกลางมีความหมายว่าพอดีเนี่ย พอดีโลยเนี้ยบาลีมาจากคาว่าสมดุลหรือเขาเรียกว่าสมตาสมตาสมดุลหรือสมตาเนี้ยปัจจุบันเขาใช้คําว่าอะไรดุลยภาพดุลยภาพทีนี้ระบบที่กาวเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติทั้งหมดในพุทธศาสนาเราเรียกว่ามชิมาปฏิปทาก็แปลว่าข้อปฏิบัติที่พอดี ข้อปฏิบัติที่พอดีก็เป็นลักษณะที่มีดุลยภาพหรือสมรตาหรือสมดุลเนี่ยทีนี้ความพอดีของระบบทั้งหมดและความพอดีในองค์รวมเนี่ยอย่างเช่นในองค์มรรคเนี่ยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวิมารสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยจะมีความพอดีหมดเลยเมื่อสัมมาทิฏฐิได้ สมตาได้สมดุลปุ๊บก็จะเป็นปัจัยกับสมาสังกปะได้ดุลสมาสังกปาที่ได้ดุลปุ๊บก็เป็นปัจัยกับสมาวาจาให้ได้ดุนยภาพให้ได้สมตามันจะลันกันไปหมดเลยนะโดยองค์รวมทั้งหลายเหล่านี้จะมีดุลยภาพในความสมดุล ไ, ได้สมตาเลยนะทีนี้ในการปฏิบัติเนี่ยที่เป็นรายละเอียดปีกย่อยลงมาก็คือว่ามีความสมดุลได้ดุนยภาพ เช่นการที่จะเข้าถึงจุดหมายในพุทธศาสนาหลักที่เป็นมัชฌิมาปฏิบัาเนี่หลักงานปฏิบัติเนี่ยหรือข้อปฏิบัติต่างๆเนี่ยที่จะให้ผลสําเร็จมันก็จะต้องได้ความพอดีได้ดุญยภาพเนี่ยอย่างที่เคยยกตัวอย่างในเรื่องของอินทรีห้าอินทรีห้าที่จะเป็นสมตาเนี่ยสมตาคือความสมดุลระหว่างองค์ประกอบ ที่เรียกว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาใช่ไหมศรัทธาต้องพอดีกับปัญญาต้องสมดุลแล้ดุลยภาพกับปัญญาถ้าศรัทธาแรงไปมากไปก็กลายเป็นเชื่อง่ายงมงายปัญญาแรงไปมากไป นั้นปัญญาแรงไปมากไปถ้าเป็นยังไงก็กลายเป็นว่าอะไรก็ชิงปฏิเสธเมื่ม บ, บางทีก็ขี้สงสัยคิดพุ้งไปสงสัยเยอะคิดเยอะปฏิเสธไม่รู้จับอะไรไม่ได้ไม่สามารถจะเจาะลงไปในลึกได้เพราะสงสยัยคิดไปเยอะเป็นไหม มันแหละพอไปอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างงั้นมันจะไปอย่างนั้นแหละพอปัญญามันแรงไปมันจะเข้าไปเข้าไปร่วมกันเข้าไปไปไปเกิดวิจิกริฉามันก็กลายเป็นเป็นคนที่รู้จับจดหรือไม่ก็ขี้สงสัยคิดพุ่งไปหมดเห็นอะไรก็ชิงปฏิเสธไม่รู้จักจับอะไรให้มันลึกลงไปไม่สามารถจะเจาะไปลึกๆๆๆลงไปแล้วมันหยุดความคิดแค่นั้น น, น, น, นะนะไปคิดเรื่องอื่นมาเสริมไปเรื่อยเลยเนี่ยเป็นอย่างนี้ ฉะนั้นระหว่างวิริยะกับสมาธิถ้าวิริยะมากไปสมาธิน้อยก็กลายเป็นคนเครียดพุ่งพลาดฟุ้งซ่านเพียร น, น้อยสมาธิมากถ้าสมาธิมากเป็นยังไงเพลินสบายก็เกียจค้านเพราะฉะนั้นต้องมีความพอดีระหว่างวิริยะกับสมาธิที่ี่การปรับนี่แหละ ถ้าศรัทธามากต้องเอาอะไรมาดุนใครเป็นคนทําหน้าที่ที่จะให้ปัญญามาดุนศรัทธาเออสตินี่แหละสำคัญที่สุดไอ้ความระลึกเนี่ยไอ้ความระลึกเนี่ยระลึกอย่างไรนีถามต่อนะระลึกอย่างไรจึงจะสามารถจับทําให้ศรัทธากับปัญญาได้ดุนกันต้องระลึกยังไงมาบอกวิธีการหน่อยสิ ระลึกยังไงต้องยกให้เป็นเรื่องเป็นราวให้เห็นตัวอย่างให้เห็นชัดหน่อยทีน่ะระลึกยังไงใช่ไหมพอสติทําหน้าที่ในการระลึกเนี่ยจะระลึกยังไงพอพูดอย่างนี้บางทีมันเหมือนมันเหมือนจะเอ้ยสติไปทําหน้าที่ในการปรับให้ได้ดุลยภาพให้ได้สมถตาใช่ไหมให้ได้ความสมดุลระลึกยังไง พอได้ไหม เ, เริ่มได้แล้วเห็นไหมสติก็คือทำหน้าที่ในการดึงข้อมูลดึงข้อมูลในพุทธคุณที่รู้ไว้ที่เข้าใจไว้ที่จำได้ๆทั้งหมดเนี่ยสติดึงข้อมูลมานะดึงข้อมูลมาให้ปัญญาฟันและตรวจสอบนะดึงขึ้นมาพระสติไปดึงข้อมูลขึ้นมาปุ๊บเกิดศรัทธาเกิดปีติเกิดปราโมทขึ้นมาโอ้ดุล ปัญญาที่เคยแรงไปก็จะลดลดลดลดลดลดลดลงใช่ไหมอ้าวไปไปมาโอ้โหยดึงข้อมูลใหญ่ดึงๆึงดึงไปศรัทธาโด่งไปใช้แรงขึ้นไปทำไงต่อทำไงต่อนะสติไปดึงข้อมูลอะไรมาอีกไปดึงข้อมูลของธรรมะหรือพุทธคุณก็ได้และมาวิจัยเนี่ย พระเจ้าเป็นพระรหันต์ไกลจากกิเลสไกลจากราคะายังไงไกลจากโทสะราคะมีลักษณะยังไงวิจัยต่อเลยโทสะมีลักษณะยังไงโมหะวิลักษณะยังไงทำปัญญาให้ได้ดุลยภาพกับศรัทธาโหปรับเลยสนุกเลยในการปรับใช่ไหศรัทธากับปัญญาให้ได้ดุนกันนี่สติดึงข้อมูลดึงไปดึงมาได้หมดเลยเนะ่อาเทนี้ ถ้าความเพียรมันมากมันฟุง้งมันฟุ้งมากสมาธิมันน้อยมันเครียดทำยังไงทำยังไงสติทำหน้าที่ยังไงต่ออาจจะมันมันฟุ้งมากจัดเลยคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่หยุดเลยสติต้องไปดึงข้อมูลของสมาธินิมิต ไปดึงว่าเออสมาธิเนี่ยนะการทำจิตให้สงบเนไปดึงอะไรมาดึงปัจสัทธินะทำจะให้จิตผ่อนคลายทำยังไงดึงองค์ประกอบดึงกรรมฐานของสมาธิดึงนิมิตของสมาธิว่าจะทำยังไงให้จิตดึงในลมเดียวคุณประโยชน์ของจิต ส, สงบเป็นยังไงการผ่อนคลายเป็นยังไง วางใจเป็นกลางยังไงโอ้ดึงข้อมูลไปเยอะเลยเดี๋ยวนี้สติไปดึงข้อมูลพวกนี้มาให้ใจให้ปัญญาเขาไปฟันวิจัยแยกแยะไปเรื่อๆนะเขา้านะเขา้าไอความฟุ้งก็จะค่อยๆหายหายไปจิตก็ดิ่งลงในความสงบในการผ่อนคลายมองเห็นได้ยังอ้าวพอเกิดสงบมากสมาธมมาิมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเฉยชา้าไม่กระตือรือร้นอีกแล้วทําไงต่อ สติก็ไปดึงธรรมะมาวิจัยปารบความเพียรพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายพิจารณาชาติภัยชร า, าภัยมนานาภัยโอ้โหตัวนี้ขึ้นน้อยความเพียรขึ้นมาอีกไหมความเพียรก็ขึ้นมาอีกแล้วเนีเป็นวันต้องปรับตลอดไหมเนี่ยเพื่อให้ได้สมรตาได้ดุญยภาพนี่คือมัชฌิมาปฏิปทาเริ่มเข้าใจอย่างตัวนี้ยต้องให้พอดีกันเราไม่เคยทําแบบนี้เลยใช่ไหมเคยไหม เคยั้มแต่ตอนนี้เชื่อไหมศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของพวกเราเนี่ยอ่อนทุกตัวเล่งอย่างเดียวก่อนเล่งขึ้นใช่ัหมตอนนี้ถือว่าเราให้อาหารไหมเนี่ยวันเรียนพุทธคุณให้อาหารของศรัทธา ใช่ไหมพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณถ้าไปวิจัยเรื่องขันธาตุอยายตนะให้อาหารของปัญญาถ้าเรียนเรื่องพอกลุ่มกรรมฐานทั้งหลายเหล่านี้เป็นายก็เป็นให้อาหารของสมาธิด้วยพูดถึงเรื่องเกิดแก่เจ็บตายก็ให้อาหารของความเพียรก็่โมงแล้วตามทุ่มแล้วหรือ เข้าใจเรื่องสมตาแล้วเนาะนั้นข้อปฏิบัติในในพุทธศาสนาเนี่ยต้องมีสมตานะคือสมดุลเป็นความพอดีชนิดหนึ่งงั้นทุกอย่างในะในคาสอนของพระพุทธเจ้าแม้แต่ในองค์มรรคก็ต้องมีสมตาแม้แต่ในโพชงก็ต้องมีสมตามีความสมดุล แม้แต่ในอิทธิบาทก็ต้องมีสมตาแม้แต่ในพรหมวิหารก็ต้องมีสมตาหลักการแม้แต่ในอะไรอ่ะอิทธิบาทสี่สติปัฏฐานสี่ต้องสมตาหมดเลยนะต้องมีความสมดุลหมดถ้าขาดสมดุลเมื่อไรเสียเลยตัเนี้ยนะนะไม่เป็นมัชิมาปฏิบัติทันที บางคนบอกเอยพิจารณากายอย่างเดียวเวทนาไม่ต้องจิตไม่ต้องธรรมะไม่ต้องอีกเสียสมมตาเลยนะต้องต้องได้ต้องพิจารณาทั้งหมด